ดูตังกำลับบงใจมาก็เห็นขังแพ่นแล้วเนี่ยก็ยจะเป็นเรื่องๆมีปฏิปฐานสี่มีขั น, 5, นห้านะฮแล้วก็มีมีสมุไนไยรนะคือผมว่าจะวัหมดทั้งหลายนี่คือมันเป็นวงจรเชื่อมโยงกันอยูใช่อยู่ในอภาริยสัตว์สี่อภริยสัตว์สี่มันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันอย่างขันห้านี่ก็เป็นตัวที่ตั้งเป็นของปัญหา คือเป็นร่างกายของเราร่างกายกับใจของเราก็คือขันห้ารูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็องค์ประกอบในใจเรียกว่าอาการของใจแล้วเรามีอวิชชาก็ไปยึดติดกับขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่ ม, มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของมันอยู่อย่างดั้งเดิมมันมีอยูน่นี้เป็นอยู่อย่างนี้ เนกับโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้มาแต่ร่างเดิมแต่พอเรามาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาครอบครองมายึดว่าโลกนี้เป็นของลูกเราต่างคนก็ต่างแบง่งเอาที่ดินคนละถึงคนละผืนมาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามาแก่งแย่งมาทําสงครามกันก็เพราะความหลงไปไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆร่างการขันห้านี้ก็เหมือนกันขันห้าก็เป็นก็เป็นสิ่งที่มันมีอยูอย่เดิม ที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอวิชชาเป็นตัวเกิดอวิชชาปฏิยาสังขารสังขารคือความคิดปุงพอคิดปรุงไปแล้วมันก็เกิดมีวิญญาณรับทราบกับความคิดปรุงแล้วก็ปไปรู้เกี่ยวกับนามกับรูปนามกับรูปก็คือขันห้าเนี่ยแหละรูปกับนามออกมาทางรูปกันนาแล้วก็มีสัมผัสก็เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็เกิดเวทนาขึ้นมา เวลาเราเห็นรูปสยวยเราก็มีความสุขเวลาเราเห็นรูปไม่สยวยเราก็มีความทุกข์แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าเราชอบรูปสวยงามเราก็อยากจะได้เราไปเห็นรูปไม่สวยงามเราก็เกิดความนองเกลียดก็เกิดวิภวะตัณหาขึ้นมาตัณหาก็เป็นสมุทยัยต้องเห็นของความทุกข์ทำให้เกิดอุปาทานให้เกิดพบเกิดชาติต่นี่คือวัตถจักรของการเวีนยนไหว้ใจเกิด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 หรือมันออกเราก็จะเกิดความเสียใจเพราะเรามีอุปทานยึดติดอยู่กับสาราหลังนี้เราชอบสาราหลังนี้เราก็มีอุปทานมีมีความอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนน า, งงานๆแล้วเกิดใครมาทําลายอย่างเราก็เกิดความทุกข์เกิดความโกรธขึ้นมามากเกิดการทะเลาะวิวาสก่อกรรมก่อเวรต่างต่ อ, อทีแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดถัดหน้าก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ นี่เป็เรื่องของขันห้าขันห้าเมื่อเราริดว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจคือขันห้านี้ไม่ใช่เรามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราดูในคนนี้แล้วเราคิดถึงตอนที่เราเป็นขนาดเท้าอย่านี้หน้าตาของเราเท้าตั้นี้มันไม่เหมือนกันแต่เราเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยร่างกายอันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการตามเวลา ของทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปเสมอเสื้อผ้าเราซื้อมาใหม่วันนี้เดี๋ยวไม่กี่วันนี้ก็มันก็เก่าใช้เป็นนานเท่ามันก็ขาดนี่คือคอนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยคือจากจะจากการเจริญสูงสุดแล้วก็จะเข้าไปสู่การเสือ่อมแล้วในที่สุดก็สลายออกไปหมดร่างกายเราก็ออกคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วโ ต, วตวเป็นผู้ใหญ่โตเป็นคนแก่ แล้วไนทสุดก็ตายไปนี่ก็คือเรื่องของอนิจจังแล้วก็มันไม่มีมันไม่ชุดตัวตนแล้วเราไปยึดไปติดว่ามันตัวตนมันเราเพราะมันติดมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากจะให้มันไปในทางนั้นเราอยากจะให้มันแข็งแรงมีความสวยงามมีความสดชื่นมีแ่หน้าตาดีตลอดเวลา ร่างกายมันก็ต้องไปตามตามการตามเวลาเดี๋ยวหน่อยผมก็ขาวผมก็ร่วงน้ำก็เหี่ยวเี๋ยหน่อยร่างกายก็ไม่มีกําลังวังชาที่จะทําอะไรได้เจ็บได้ป่วยไที่สือก็ลองนอนบนเตียงด้านในที่สุดก็ไม่หายใจเขาก็เอาไปเอาไปทําชาพนักกิจงลรือเอาไปฝังมันก็สลายกลับไปสู่ดินร่างกายมันก็ฝังดินน้ำมันก็ซึมออไป ต่างวันนี้นั้ยความจริงร่างกายนี้เมื่อพิจจรณาก็เห็นว่าเป็นธาตุสีน้ำเงินหินน้ำรูปไฟมาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปรับประทานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาการ32เป็นผมมนุนของเป็นและเป็นความเสนิญเน้นทางศาสนาสอนให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของมันเราอยากไปฝืนความเป็นจริงถ้าเราฝืนเนี่ยมันเราจะทุกข์ วนที่เขาต้องไปเสริมอะไรต่างๆไปดึงหนังหน้าขาให้ตึมไปย้อมผมไปทำอะไรนี่เขาเป็นการสลีความจริงเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ตลอดเขาต้องเปลี่ยนไปแต่เขาไม่ยอมเขายังอยากจะสาวยังอยากจะเหลาอยู่เขาก็ต้องพยายามหาอะไรต่างๆมา มามารักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมแต่รักษายังไงมันก็สู้สู้ความจริงไม่ได้แต่ที่สุดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องตายไปเหมือนกันทุกคนแต่ถ้ถาถ้าเรายอมรับได้ใจเราก็จะสบายแต่เราก็จะเฉยเฉยไม่ทุกข์เพราะเราเราเระงับดับปัญหาต้นหตเห็นของความทุกข์ได้ก็คือความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนี่เราไม่ไดเไ้เราไม่มีในใจของเรา เรายอมรับการเป็นสิ่งของมันก็ไม่มีอุปทานเนี่ยในอริยาาสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโดยสรุปแล้วทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่เองอยากจะให้มันเป็นตางควา ม, ต, ต, า ม, วามต้องการความต้องการตางความชอบของเราอยากให้ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าเวทนาก็อยากจะให้มันมีแต่สุขเวทนาไม่ให้ไม่อยากจะให้มันมีทุกข์เวทนาวันไหนถ้าเรามีความสุขเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดวันไหนมันไม่มีความสุขเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปทํางานทําการหรือไปทำอะไรที่มันต้องมีความลำบากยากเยนะ็นก็มีความทุกข์เวทนาขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยชอบอยมาง น, นกันพอไม่ชอบขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราศึกษาดูแล้วว่าเวทนานี้มันก็มีสามชนิดไปกันคือสุขบ้างไม่สุขบ้างแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันตามเรื่องของมันความสุขนี่มันถูกอยู่ๆมันก็สุขขึ้นมาในใจของเราในกายของเราฟังวันไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวดมันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ใจของเรานี่ไม่ต้องไป ทุกการมันได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าขณะนี้เวทนาเป็นอย่างไรเราก็อย่าไปต่อต้านเวทนาอันนั้นถ้ามันเป็นชั่วเวทนาก็าอย่าไปต่อต้านอย่าไปใช้ว่าปฏิเสธมันมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้ตลอดหรอกนี่เป็นเรื่องของเวทนาแต่เราไม่ค่อยจะรอเราใจ ใจร้อนกันเราทุกเวทนาครับเราจะต้องรีบแก้ทันทีให้มังไม่ให้มันหายไปโดนแมลงสัตว์กัดป่อยนิดหน่อยก็ต้องรีบหายยาหม่องผายอะไรมาทาทั้งๆที่ถ้าเราปล่อยให้มันทึ้งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปสมุรับไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่มียาอะไรทำยังไงโดนแมลงอะไรกัดเดี๋ยวมันก็มันก็เจ็บมันก็ปวดเต็มที่ของมัน แต่ร่าเดียมันก็คลายลงไปร่างเดียมันก็หายถ้าเราอยู่ทีเ่เอยรับรู้เฉื่อยใจไม่ต้องไปอยากให้มันหายใจก็ไม่ทุรนทุรายแะถ้าอยากให้มันหายนี่บางทีต้องวิ่งหาหมอวิ่งหายาหาวิธีแก้มันวุ่นไนหมดนี่ก็คือความหมายของของของขันห้ายกตัวอย่างของรูปประถมกั น, น, นเรามันามอย่างหนึอย่างคือเวทนา คามยิเวทณ า, านี i มันก็เป็นส่วนประกอบของอิสานส่วนคือวิญญาณสังขารเวทนาสังขารวิญญาณแล้วก็ใช่ไหมธรรมสังขารวิญญาณสี่อันจากความจริงเวลามันทํางานมันทําพร้อมๆกันเพราะฉนั้นพอตาเราเห็นรูปวิญญาณก็รับทราบรูปมาแล้วสัญญาณก็ไปไปแปลความหมายของรูปนั้นว่าเป็นไข่ การชื่นชมยินดีหรือไม่สมัยเราเห็นรูปนี้ปั๊บเราจำได้ออกคนนี้เคยให้เงินมามาที่ไรเอาเงินมาให้เท่ากี่มันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ม, <laughs> มันก็เกิดสังขารอยหางนั้นเไปต้อนรับเขาหน่อยไปทักทายทําทเชิญชวนให้เขานั่งทําอะไรต้อนรับเขาแต่ถ้ามีอีกรูปหนึ่งเราจำยามแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้านี้มาแลนะก็สังขาร กายก็เวทนาทุกเวทนาก็ตามมาแ้วเพราะไม่มีเงินใช้นี้เขาหลังกานก็คิดว่าทำไงจะหลบหน้าคนนี้ดีคนดูมันก็ทํางานไปควบคู่กันทังสี่อันนี้แต่ถ้าเรามีสติเราคอยดูการกระทํำของของนามขนันนี้เราก็อาจจะสามารถควบคุมไม่ให้มันเป็นไปคือเราสามารถควบคุมสังขารได้เช่นสมมติเราเห็นลูกคนนี้แล้ว เ, เห็นว่าอ้าวเขาเป็นเจ้านี้ เราไม่อยากจะเจอเขาแต่ความจริงแล้วมันจาเป็นต้องเจอเขา <c oughs> เพราะเรามีความผูกพันกับเขาอยู่เราเป็นเราเป็นกู่เงินเขาเราก็ต้องมีความรับผิดชอบถึงแม้เราจะไม่อยากจะเจอหน้าเขาเราก็ทําใจสู้เสือไว้หันใจนิ่งไว้แล้วก็มา เ, เราเป็นคุยกันเขาจะเอาไงเราก็พูดกับเขาไปตามความจริงเรามีเท่าไหร่เขาให้เขาไปเท่านั้นถ้าเขาไม่พอใจขอเขาโกรธเขจะด่าเราก็ต้องให้เขาทํำไป นันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะรักษาใจให้เราเป็นอุเบกขาเป็นปกติคือไม่วิ่งเข้าหาเขาแล้วไม่วิ่งหนีจากเขาไปเราค่คๆตั้งรับตั้งรับด้วยปัญญาเป็น แ, แต่ความความรู้สึกเวทนาที่มีมีแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวทนาเนะี่ยมันจะไม่มีเพราะว่เาเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเมื่อเราทำกรรมอันใดไว้เมื่อวิบากมันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปห น, นีนัน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 จะวิ่งหนีจากสภาพต่างๆไปก็ไม่มีเอ็นเดินไปเจอสัตว์เจองูอะไรเงี้ยแต่มันจะโกลาหลวิ่งหนีก็อาจจะยื น, นเฉยๆนิ่ทำจิตให้นิ่งแล้วก็พงเอาถ้าเป็นการถ้าเป็นเวรเป็นกรรมมาเราเคยทําอะไรเขาเขาจะมากัดวางให้เราตายเก็มันก็จบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราก็ไม่ได้หวังอะไรจากในโลกนี้แล้วรารู้ว่าเอาอะไรไปก็ไม่ได้ แต่สิ่งที่เร า, เาไปได้ก็คือใจที่สงบใจที่มิ่งอันนี้ท่านั้นบุะที่สําคัญที่สุดถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วพบกควาสมสงบความมิส่สขงใจแล้วเราจะเห็นคุณค่าของใจนี้ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกที่พวกเราหวงแหนกันเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหวงแหนกันเนี่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมกันเราไม่เคยเจอจิตที่สงบที่ปล่อยวาง เวลาจิตสงบนี้เวลาลวนั่งสมาธิเรามันน่งนี่มันปล่อยหมดทุงอย่างชั่วคาวบ้านช่องทรัพสมบัติลูกเต้าถ้ามีภรรยามันไม่ได้อยู่ในจิตตอนนั้นเลยจิตมันจะสะอาดมันเหมือนกับถ้าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกระดานที่อาจารย์โรงเรียนเขาเขียนนะี่มันกเน็เป็นกระดานที่เราลบทิ้งหมดแล้ว ม, มีแต่กระดานว่า ง, า ง, างดูกระดานว่างๆมันก็ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้ามีใารเขียนหรือวาดลูกการ์ตูนหรือวาดลูกที่ไม่สวยในงานก็จะเกิดอารมณ์ตามมาเห็นลูกถ้าเป็นว่าดเขาวาดภาพสวยงามก็มีความสุขถ้าเขาวาดภาพที่ไม่สวยในงามที่น่าเกลียดล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจของเราก็อย่างนี้ใจของเราทุกขณะมันไปรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามาทางผ่านทางตะวนันตะวานทั้งห้าตาหูจะลูกลิ้นกาย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 น, นี่มันไม่ใช่เป็นทิศวิธีแก้แก้ที่ใจด้วยสติด้วยปัญญาทำใจให้เป็นอุเปเขาือทำใจสู้กับทุกสภาพใจมันก็นิ่งได้ความทุกในใจมันก็ดับไปนี่คือความหมายที่เราต้องมีเจริญสติสติปัฏฐานสิ่งก็คือให้เราฝึกสติให้ดูอย่าไปมีการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังเพียงแต่ดูรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นภาพ เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแล้วก็รู้ว่ามันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าสียงเราอย่าไปปุงแต่งอย่าไปอย่าไปมีสัญญากับมันถ้ามีก็ต้องแก้ไขบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนคนนี้เขาจะไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคนนี้เป็นคนที่เขาดีกับเราเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันความจริงแล้วเราเร า, เรานา่น่าจะมองคนทั้งที่ดีและไม่ดีเท่ากันได้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 หมายของการสร้างสติรูปก็ให้ศึกษาจนเข้าใจในทุกปีเรีทุกส่วนดังนั้นพิจารณาดูอาการสามสิบสองภาลัการนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อาการมีแต่ผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเอเ็นกระดูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามมันมีสิ่งที่ไม่ไม่งามอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกันแต่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยปัญญา คือถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาก็ไปดูโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูอวัยวะต่างๆถ้าเราดูไม่เราดูไม่ออกนึกไม่ออกก็ต้องอาศัยการไปเยี่ยมป่าช้าอย่างสมัยโบราณเขาก็ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูคนตายเนสมัยนี้ก็เดี๋ยวนี้มีหนังสือที่เขาถ่ายมาให้ดูลูกๆพวกนักศึกษาเขามีภาพวาดให้เราดู เราก็ดูแล้วเราก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆให้มันจําให้ได้อยู่ในใจของเราพอมันอยู่ในใจของเราแล้วพอเร า, เรามองเวลามองใครนี่เราจะมองทะลุเข้าไปในหนังได้เราก็จะไม่หลงไม่ได้ไปอยากจะมีความผูกพันกับเขาไม่ได้อยากจะเอาเขามาครอบครองเพราะเขาไม่ได้สวยเขาไมไ่งามอย่างที่เราคิด <c oughs> วความจรแล้วคนเราทุกคนภายนอกมันต่างกันแต่ภายในยนี่มันเหมือนกันหมดทุกคน มีอาการ32เท่ากันนี่คือการศึกษาที่จะรูปสติก็คือให้มีการรู้อยู่กับเร่องรูปนี้อยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์ถ้าเราพูดปฏิบัติในใบพวกเราเนี่ยเขาลงที่กายอย่าู่ดีก่อนเลยใช่ไหมครับส่วนใหญมันก็ต้องเริ่มที่กายก่อนเพราะกายมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะส่วน น, นี้<อ><อ>มันเก็นความละเอียดมากค่ขอข้าางยาสติปัญญาเรายังไม่ทันครับ แต่ถ้าเราพัฒนาไปเพื่อเราสามารถเข้าใจรูปได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่เวทนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่รูปล้วนๆันางเวลาเวลาเวทนามันมันสแสดงอาการขึ้นมาแรงๆเราก็จะเห็นเหมือนกันวันไหนที่เราเจ็บปวดมากๆนี่เราก็มันก็จะชัดขึ้นมาเห่ือนกวันไหนเราไปไปเดินเตะหินเข้านี่ทุกเวทนาความเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นมา ตอนนั้นเราก็ดูว่าเราก็นีกน่ก็นี่ก็เวทนาแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันเดี๋ยวมันก็เหมือนเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้เราเตะหินปั๊บเดี๋ยวสักครู่มันความเจ็บมันก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปแ ล, ลป้วหาไปคือพย า, ายามรักษาใจให้เป็นผู้รู้อย่างเดียวอย่าไปเป็นผู้ผู้ต่อต้านหรือเป็นผู้ยินดียินร้ยนยนยนยนายกับมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสู่ใจใจต้องเป็นผู้รู้เฉยๆใจทําตัวให้เป็นเหมือนกับกระจกเรา กระจกเงาเวลาเราเอาเอาภาพต่างๆที่คนไปมองหน้ากระจกเนี่ยคนสวยกระจกมันก็ไม่ได้ดีใจด้วยคนไม่สวยมันก็ไม่ได้รังเกียจด้วยกระจกมันก็เพียงแต่ทําหน้าที่สะท้อนเงาของของภาพที่ไปยืนอยู่ต่อข้างหน้ากระจกแตในจิตของเราก็ต้องพยายามทําให้มันนิ่งเหมือนกับกระจกพยายามเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน อย่าไปหลงว่ามันเป็นศัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นของเราแท้จริงมันเป็นขันหะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารยิยนญาเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยินดียินร้ายด้วยเพราะมีความยินดียินร้ายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นเราจะเกิดตัญหาขึ้นมาเกิด ค, ความอยากจะได้หรือเกิดความอยากจะหนีจากสิ่ง น, นั้นไปก็อยู่เฉยๆไม่ได้นิ่งจิตก็ไม่นิ่ง นี่คือการเจริญการปฏิบัติคือนิเวทนาที่เกิดขึ้นจริงเนี่นยเรก็ว า, วางเฉยเห็นที่อาจารยาแต่ว่ามันก็ไปดับไปเดี๋ยวจะเกิดขึ้นหม่อีกคือเวทนานมันมีสองงานงเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายนี้มั น, เ ป, นเป็นเรื่อ ง, องธรรมชาติธรรมชาติแต่เรื่องเวทนาทางจิตนี่เราสามารถหลับดับได้ใจเราไม่วุ่นวายกับมันก็ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราดับทุกเวทนาทุกทางจิตใจแล้วไม่ทุกข์ใจทุกกายแต่ไม่ทุกข์ใจ นะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทุกส่วนที่กายนี่เราแค่วางเฉยให้มันนะนะแต่ส่วนที่ใจนี่เราต้อ ง, ต, องต้องใช้ปัญญาในการพิจารณางไปที่ที่ใจคือก็ถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาของการสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราก็เราก็ปล่อยวางใจเราก็ไม่เดือดร้อนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจบางทีเราเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาหน่อยใจวิตกนะให้ฉันจะตายหรือเปล่าฉันจะเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่า สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่ได้เป็นเลยแต่ถ้าใจเป็นสักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าอเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่ารู้ว่ามันต้องเป็นตายรักแน่ๆคือรู้ว่ามันเป็นมันของไม่เที่ยงแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องดับมันก็ต้องหายไปรือเบาลงมาหรือเพิ่มขึ้นอีกก็สุดแท้แต่มันแต่มันก็ต้องเป็นไปตามตามเรื่องของมันแต่ถ้าใจเรารู้เราใจเราเข้าใจใจเราก็เฉย สิี่เราต้องการปฏิบัติก็เพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาคือการวางเฉยปล่อยวางสัมผัสกันอยู่แต่ไม่ได้เป็นยินดียินร้ายกับเขาสังเกต ด, ดูคนที่เราคนที่เราเจอเนี่ยมันจะมีสาแบบด้วยกันคนที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราเฉยเฉยเนี่ยคนที่เราเฉยเฉยนี่สบายที่สุดใช่ไหมเราไม่ดีใจไม่เสียใจกับเขาเขาจะมาขเขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ละคนที่เราชอบเวลามาเราดีใจเวลาเข้าไปเราก็เสีใจไอคนที่เราไม่ชอบเวลามาเราก็เดือดร้อนแต่พอเข้าไปเราก็โล่งารสบายขึ้นมาเพราะเราไปไปมองเขาในความตามความชอบของเรากับความความไม่ชอบของเรานี่มันเป็นนิสัยที่เราเคยปลูกฝังมาตลอดคนบางคนชอบสีแดงบางคนไม่ชอบสีแดง คนสองคนมองสิ่งเดียวกันคนยังมีความสุขคนยังมีความทุกข์เกิดจากความชอบไม่ชอบที่เคยถูกปลุกฝังมาด้วยอวิชชาแต่ถ้ามีปัญญาศึกษาแล้วมันก็เป็นสีท่านั้นเองมันเป็นลูกที่มันมาสัมผัสกับตาและรับรู้ที่ใจใจนี่ไม่มีอะไรไปทาลายใจมันได้ใจเป็นเพียงแต่เหมือนกระจกเนี่ยกระจกมันก็ดูมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงทุกอย่าง กระจกมันก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมอยู่คนจะฆ่ากันตายขนาดนั้นต่อหน้าหน้าจอกระจกกระจกมันก็ยังอยู่อยนนคนจะฉลองแต่งงานกันกระจกมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตายของเราก็แบบนั้นอ่ะเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไห น, นถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจสองจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาได้มันก็จะเป็นเหมือนกับกระจกมันก็จะสะท้อนรับรู้ความเป็นจริงของสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเอง เนื่องเราถึงต้องมาศึกษาให้เข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผันผัดในโลกนี้ส่วนใหญ่เราจะหลงตามอาวิชชาเราจะคิดเราอยากจะให้ทุกอย่างเจริญไม่ให้มีอะไรเสือ่อมพอเกิดอะไรเสื่อมขึ้นมาเราก็จะเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันแล้วพอเวลานี้มีการเจริญขึ้นมาใหม่ก็ดีใจกันอีกเช่นเวลาได้ลูกได้หลา น, นทุกคนดีอกดีใจกันใหญ่ พอเสียคุณพ่อคุณแม่ ค, คุณตาคุณยายไปก็เศร้าโศกเสียใจพราะเราลองด้านเดียวเราไม่เราไม่คำนึงถึงด้า น, นว่าเด็กคนนี้เกิดมาวันนี้สั้งวันหนึ่งเขาก็ต้องตายถ้าเรารู้เรื่องหน้าก่อนแล้วเวลาเขาตายย่าก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ ใ, ใจของเราทุกขณะนี้มันจะพยายามที่จะผนึกในความจรงิงอันนี้คือความตายแล้วกระทั่งถึงขั้นว่าคิดถึงเรื่องความตายไม่ได้เลยในหมายนี้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 มาเลเซีมถ้าเป็นทาหารก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีค่าศึกมาบุกทำลายบ้านเราคิดเสียว่าบ้านเรานี้ปลอดภัยเสมอมเราไม่ต้องไปซ้อมลบไม่ต้องไปมีทาหารไม่ต้องมี ต, มตํำรวจก็ได้พอวันดีคือดีเกิดมีค่าศึกมาเจอเขามาบุกบ้านเราหนี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันเราก็จะถูกเขาทําลายไปหมดายของเราที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เป็นลักษณะนี้มีแต่ความหลง มีแต่ความต้องการให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสือ่อมพอมันเสื่อมแล้วก็รับไม่ได้บางคนไม่มีสติก็เสียสติไปกลายเป็นคนบ้าไปได้เวลาสูญเสียอะไรที่ตนเองรัมกมากๆบางทีหน้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ่งแต่คนที่เคยมีความมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขก็กลายเป็นคนเศร้ส า, า, ส, าส้อยน้อยเงไป หรือถ้าบางคนถ้าเจอสภาพที่อุ่นแรงมากๆก็จะถึงกับการทำลายชีวิตของตัวเองเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ทนกับสภาพแบบนี้ได้เพราะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดศึกษาเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองถ้าซ้อมไม่ล่วงหน้าว่าเออสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวเนะี่ยคนที่เรารักนี่ก็อาจจะจากเราไปนะ ที่พวกเรามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกันก็มาฝึกอยู่คนเดียวเองมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องให้ความสุขเราเราสามารถมีความสุขในตัวของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับาราแต่พวกเราไม่ยอมตัดกันเสียดายยังยังเป็นเหมือนกับคนพิการ เดินไปไหนยังอยากจะมีล้อล้อรถนั่งหรือมีไ อ, ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอไ้ไม้ไม้ท้าไว้คอยค้าตัวเองทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่ได้พิการเลยสามารถเดินเหินไปไหนได้อย่างสบายกับไม่เอาอยากจะเอาไม้ค้าถอดมาค้าไปหรืออยากจะนั่งรถเข็นก็เข็นไปทั้งๆ ท, ที่เดินเหินไปไหนได้สะดวกใจของเราไม่ได้ไม่ไม่พิการอะไรเลยไม่ต้องพึ่งพา อ, อาศัยอะไรเลยทั้งสิ่นที่จะให้ใจนั้นมีความสุขได้ ไม่ต้องพึ่งพาลูกเสียงลกลิ่นรสกฎถ้าไม่ต้องพึ่งพาลาบยุทธสารเสรื่นแต่พวกเราทุกวันนี้ติดพึ่งพาไอลาบยุทธสารเสรื่นสุขนี้กันตลอดเวลาลวเวลาได้อะไรมาที่ดีออกดีใจกันเงินเดือนขึ้นนี่ก็ดีใจกัน <c oughs> เวลาเขาตัดเ ง, งินเดือนลงไปก็ <c oughs> ก็สเสียใจแนละนี่แหละเปนเป็นเพราะว่าเราไม่เคยฝึกจิตให้มันอยู่ โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาข้ามคอไม่ต้องมีอะไรมนาะพยุงจิตเนี่ยคือเอาธรรมะนี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นการที่จะทำให้จิตเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโถขึ้นมาได้เป็นเป็นที่พึ่งของตนได้จิตที่มีความสงบแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความจาเป็นแกบอะไรในเรื่องนี้ที่อยู่ที่กินที่อะไรไปก็เพียงแต่ดูแลร่างกายที่มัน ร่างกายต้องอาศัยตัดกายสิเพงจะอยู่ได้และที่ที่ดูแลร่างกายนี้ไปก็เพื่อที่จะเอามาทําประโยชน์เท่านั้นเองคือตอนเองได้ได้หมดภารกิจของตัวเองแล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่าละหันต่างๆท่านไม่มีภารกิจที่ต้องทําต่อไปแนละ้วจิตของท่านเป็นที่พึ่งของตอนเองได้แนละ้วจิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแนละ้วแต่ท่านยังมีร่างกายอลู่อยู่ ก็ เ, เอามาสอนคนอื่นเอาร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือก็จะพูดกับคนอย่างพวกเรานี้ต้องมีมีปากพูดใช่ไหมถึงจะฟังกันรู้เรื่องถ้าเป็นพวกเราเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็ได้ท่านเราสามารถสอนทางจิตใจได้เช่นตอนที่ตอนดึกๆพระพุเจ้าก็ทรงสนทนากับเทวดาก็ใช้กระแสจิตเป็นเป็นการติดต่อ เทดาเขาไม่เหมือนูก ร, รูปอย่างเหมือนพวกเราเขามีจิตเนี่ยจิตของเขาแต่เพงแต่ว่าจิตของเขานั้นยังมีกิเลสอยู่แล้ยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเขาก็มามาศึกษาจากพระพุทธเจ้าเขาก็สอนเหมือนกับสอนพวกเราสอนอย่างเดียวกันสอนเรื่องพระอริยสัจสี่เป็นส่วนใหญ่ นี่ก็คือทำไมเราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐานกันก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอย่างไรว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่ายไปยึดกับมันอย่ายไปหวังอะไรจากมันเพราะเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราหลับสติใจ ศึาเพื่อเราจะได้ปล่อยวาดูร่างกายนี้จนเข้าใจว่าเนี้ยร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรท่านถึงกบอกให้ต้องเลยดูป่าช้าไงไปดูไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปชมป่าช้าไปดูสภาพของร่างกายของเราที่จะต้องเป็นไปในวันข้างหน้าจะต้องกลายเป็นซากสดไปถ้าทิ้งไว้ในในป่าช้าก็จะมีแรงมีการมังกับมากินแล้วเน่าออตัวใหญไปดังนั้นก็เหลือแต่โครงกระดูก ในที่สุดกระดูกนั้นก็ผุก็เปื่อยกลายเป็นดุนไปนี่คือการศึกษากายหรือรูปสติปัฏฐานอยู่ที่กายกายกตาสติจะให้รู้สองลักษณะด้วยกันคืออนิจจังทุกขงังอนัตตาและอสุภะด้วยอวย่างเพืจะหลุดพ้นจากการยึดติดในกายได้ผู้ที่พิจารณาร่างกายได้อย่างละเอียดละออหมดจดทุกส่วนนะ ก็จะกันธาณาคารีชู้านนาคารนีนี้จะไม่มีความยิน ด, ดีในในร่างกายต่อไปคือเห็นแล้วก็จะไม่มีเกิดราคะกันนะเพือไม่จะเห็นว่าสวยร่า ง, งามเมื่ออยากจะมาเอามาเป็นคู่ทองด้วยเลยวกาใคอยากจะไปกอดกองอกอ ด, อ ก, อดกอดโครงกระดูกบ้างแต่เดี๋ยวโครงกระดูกนี่มันถูกหนังหุ้มห่ออยู่เลยมองไม่เห็น ก็อยากจะไปกอดกองอวัยวะต่างๆตับไตไส้ติ่งมันก็อยู่ในร่างต่างๆแต่เวลามองมันไม่ได้มองด้วปัญญามันมองด้วยโมหะความหลงมองมองอสุภะเป็นสุภะไปอสุภะแปลว่ความไม่สวยงามเห็นว่าเป็นของสวยงามไปมองนิจจังอา น, นิจจังว่าเป็นนิจจังมองว่าสิ่งที่ไม่จีรังเท้า <c oughs> เป็นกีรังถาวมองว่าสิ่งที่ให้ความทุกข์เป็นความสุขพอเราได้คู่กองมาแล้วมันสุขที่ไหนต้องทะเลาะกันบ้างต้อมีเรื่องมีราวต้องห่วงใหญ่กันกี่ปาระร้อยแปดก็เป็นความทุกข์ใจขึ้นมาทำไมนี่เรียกว่าเป็นทุกข์อันนี้จำสุกขัคแล้วก็อนาาัสสาก็เป็นแค่กองดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง รวมกันเหกัเราทําขนมแล้วก็เอาน้ําตาลเอาแป้งเอาไขา่มาผสมกันแล้วก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์ทําเป็นรูปต่างๆจะเป็นขนมชนิดไหนก็ได้มันก็มาจากไอ้ไอ้แป้งน้ําตาลกับกับไข่อะไรพวกนี้เทั้นเองแต่เราสามารถทําเป็นหลากหลายชนิดได้เป็นเค้กก็ได้เป็นคุกกี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันก็มาจากไอ้ไอ้แป้ง น, น้ําตาลกับไข่พวกนี้ทั้นเอง เรา้อ ม, <c oughs> มาพิจารณาพวกนี้สถานี้ก็พิจารณาได้อย่างหยากๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องพยายาม<ช>ทําเรื่อยๆคือปัญหาของของญาติโยมก็คือว่ามันเวลาพิจารณาไม่พอ <c oughs> ทํางานมันไม่มีเวลาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะวันๆในนี้จะต้องไปยุ่งกับงานให้ดุที่ทําให้เราไม่มีเวลามามองความจิงด้าน เราจะไปมองความจริงด้านหนึ่งในเรื่องการทำมาหากินทําอย่างไรจะให้มีลาดได้เพิ่มขึ้นอะไรต่งางๆเหล่านี้เราจะคิดไปในทางนั้นเมื่อมีรายได้ขึ้นมาแล้วจะทํางไรกับเงินที่ได้มาจะเอาไปเที่ยวไหนดีจะไปกินอะไรดีไปซื้ออะไรดีจิตใจมันก็คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เรื่องหากับเรื่องใช้เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องเหล่านี้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 ดยลเราะฉะ้นเราจะเข้าถึงธรรมะนี่โอ้ต้องแบบเหมือนก็แหกคุปออกมาแล้วจะไปวัดสักทีจะไปทําบุญสักทีแจะก็ปฏิบัติธรรมสักทีนี่เหมือนจะวิ่งแหกคุปปออกมาแต่ถ้าจะไปเที่ยวนี่มนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแหกเลยไปไปอย่างสบายเพราะฉะนั้นที่อยอมบอกว่าวที่ยังพิจารณาไม่ก็เห็นก็เพราะใจของเรามั น, ม, นมันไม่มันไม่มาทั้งนั้ มันไม่มาทางนี้แต่ถ้าเราเริ่มได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราเห็นว่ามาทางนี้มันมีคุณมีประโยชน์เหมือนกับวิ่งหนีออกจากกองขยะมาสู่กองเพชรกองเงินกองทองถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้มีชั้นทามีกําลังใจที่อยากจะวิ่งออกแต่เรามองไม่เห็นว่าเราอยู่บนกองขยะกันกองขยะของพเราล่านี้กลับกลายเป็นเหมนเคลนเคล็ด<ๆ>จริงจงดาเพราะความหลงเลยทำให้เราหลงติดอยู่กับกองขยะ ก็ดูพระพุทธเจ้าท่านก็ขนาดอยู่ในวังอะ่ะใช่ไหมในวังนี่ในใสายตาของกิเลสมันก็อมันมันเป็นสวรรค์อะ่ะสวันค์บนบนระวลกนี้เลยแต่ในสายตาของนักบ่านี้กลับเห็นว่าเป็นกองขยะเพราะว่ามันจะผูกให้เราติดอยู่กับวงจรของความแก่คามเจ็บความตายพระเจ้าต้องการที่จะดิ้นให้ดู ให้พ้นจากวงจรแห่งความแก่ความเจ็บความตายศึกษาถามเรื่องราวต่างๆดูเห็นคนที่เป็นนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขาทําอะไรกันคือตอนตอน้นเสด็จออกจาระธาตุเคยเห็นคนแก่ก็ถามว่าคนแก่นี้มาจากไหนก็ได้คำตอบตอบก็มาจากพระองค์นั่นแหละพระองค์ทั้งวันก็ต้องเป็นเหมือนเขาคนเจ็บก็เหมือนกัน่ะ คนตายก็เหมือนกันคนะือพระองค์ในที่สุด ก, ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไปเห็นสัมมณะนักเบื่อแสดงว่าคกนี้เขามาจากไหนเขาทําอะไรแล้วก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละแต่เขา<ม>เขาแสวงหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายกันนั่นก็เลยอ๋อถ้าอยากจะออกจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตา ย, าตาย<ม>ก็มีมีคนเขาแสวงหากันอยู่ก็เลยอยากจะทดลองดูบ้าง อะไรพอดีได้จังหวะวันคืนที่ได้ข่าวว่าได้คลอดสมัยเอีได้คลอดป้าลาหุนออกมาเราได้ยินว่าได้ลูกชายแล้วท่านก็อุทานว่าลาหุนลาหุนก็แปลว่าบ่วงถ้าอยู่ลูกนี่เป็นบ่วงอยจะร้อยคอถูกมัดให้พ่อแม่นี่มีความถูกพันก็เลยตัดสินใจหรือไปที่นั้นเลยไป อยู่แบบนักบวชจากสายตาพวกเราก็เหมือนจากสวรรค์ลงไปสุดนรกจากใ น, นวังไปอยู่แบบขอทานยากกินที่ไหนจะนอนที่ไหนก็ไม่รู้นอนก็ตามมีตามเกิดตามโผล่ไม้ในถ้ำในอะไรกินก็แล้วแต่จะชาวบา้านเขาจะของเขาก็เหมือนขอทานในสมัยนั้นก็ถที่พอภาชนะบายรอะไรเข้าไปในหมูบ่บ้านแล้วก็ รับอาหารที่เขาจะให้มาแล้วแต่เขาจะสักธาให้จก็ไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องหนักหนักใจเพราะสิ่งที่ท่านต้องการนั้นมันรู้สึกว่ามันมีค่ากว่าการที่ท่านได้เสียสิ่งความสะดวกสบายทางด้านร่างกายไปทางด้านจิตใจสีไปท่านก็อยู่ต่อสู้อยู่ถึงหกปีด้วยกันภายใ น, นที่เสดยจท่านก็บรรลุได้ปัญญาขึ้นมาได้เห็นว่า ทรทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาเรารู้แล้วก็ปล่อยวางจิตก็กพ้นจิตก็ไม่ยึดในจิตอะไรต่อไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นจิตก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนเงาสะท้อนความจริงของผู้อย่างความจริงที่เราเห็นแล้บทวว่าดีบ้างไม่ดีบ้างลายกระจกมันไม่ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีมันสักแต่ว่าอย่งนั้นทางที่ทรงสอนว่าเวล า, า, าเห็นไอะไรก็ให้ ใ้แต่ว่าเห็นเวลาเราได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปเห็นว่ามันเป็นนั่งเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราแล้วจิตก็จะได้ไม่ไม่เดือดร้นอนกับสิ่งต่งางๆที่เห็นนีนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับความรู้สึกนิคัดของพวกเรา ถ้าไม่ได้วิเคราะห์พิจาณาจริงๆก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้ามองเห็นความตายอยู่เรื่อยๆนิ่มันก็อาจาจะมีอะไรที่จะเตือนสติเราได้ถ้าเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายจากโน่นนี้ไปหรือคนที่เรารักนน้นจะต้องจากเราไปแล้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเลย มันเป็นความสุขตอนต้นแต่มันเป็นความทุกข์ตอนปลายเราซื่อมาหาวิธีทําให้ไม่ทุกข์ไม่อดีกว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราเพราะถ้าโดยลําพังแล้วเราก็คงจะไม่ไม่คิดแบบพระพุทธเจ้าเป็นคิดกันเราก็จะคิดกอดอยู่กับกองอริยสัจทุกขังหน้าตานี้พานถึงแม้จะทุกขจะทรมาย์อย่างไรก็ ปล่อยวางไม่ได้เพราะยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขอีกแบบนนั่นเองถ้าเราได้สัมผัสกับความสุดที่เกิดจากความสงบ ข, ของจิตแล้วทีนี้จะแล้วเห็นแล้วว่าออถึงแนมะ้จิตจะไม่มีอะไรเลยถึงแนมะ้จิตจะต้องอยู่ตามลําพังแต่จิตที่สงบนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าเวงจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไป เป็นจิตที่มีความอิ่มมีความสุขมีความคออยู่ในตัวของมันที่พวกเราต้องมาวาัดกั น, นนี่ก็เพื่อที่จะมาทำจิตใจของเราให้สงบทีนี้แต่ละคนนี่ก็จิตใจอยู่หลายระดับด้วยกันบางคนก็ทำจิตให้สงบง่ายก็แสดงว่าเคยทำมาแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นนักเลนก็เหมือนกับย้ายจากโรงเรียนอื่น เรียนชั้นป .6 แล้วพอมาเรียนโรงเรียนนี้ก็ให้ป .7 ได้เลยบางคนก็ยังไม่เคยเรียนหนังสือเลยมาเข้าโรงเรียนนี้ก็ต้องเท่าป .6 ไปก่อนติตของพวกเราก็แบบนี้เราสะสมบุญบรารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติมาไม่เท่ากันเราทําบุญทําบาสมาไม่เท่ากันเมื่อเรามาถึงชาตินี้แล้วเราอยากจะเรียนชั้นสูงเช่นเราอยากจะมาพอนะแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะ เรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคไปหมดจะกินจะอยู่กับนักพรานาก็รู้สึกลำบากจะให้นั่งเฉยเฉยให้สงบสักสิบห้านาทีก็รู้สึกอึดอัดใจนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านชั้นที่ต่ำกว่านี้มาเราก็ต้องเลื่อนขั้นลงไปรักษาศี่ก่อนรักษาสิ่งรู้สึกรักษายากก็ต้องลงไปชั้นทําทําทานก่อนทําทานทำทานไปเรืยเรื่ยเพราการทําบุญทําทานนี้เป็นการ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 ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็เอาไปใช้สร้างเพิ่มความทุกข์ให้กับเราด้วยการเอาไปเลี้ยงกิเลสตัณหาเห็นเสื้อผ้าสวยๆยางามๆก็ซื้อมาใส่เห็นอะไรใหม่ๆก็ซื้อมาใช้ไปได้ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วก็อยากจะได้ของใหม่มันก็จะทำให้เราหิวก็หาอยากของใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้หาเงินมาได้เท่าไรก็ไม่พอใช้ก็ <c oughs> จะต้องไปทาผิดศีล ถ้าหาเงินมาด้วยความทุกจริตก็ได้เดี๋ยวก็ต้องไปช่อโก้ด้วยวิธีใดวิธีนึน่แต่ถ้าเราให้ทานอยู่เรื่อยๆ แ, แล้วจิตใจมีความอิ่มขึ้นมาไม่หิวกับเสื้อผ้าผอ่างพรของใช้ไใหม่ๆต่างเรามีของเก่าใช้อยู่มันใช้ได้ก็ใช้ไปต่อใจจิตใจมันก็ไม่หิวกระหายเงินทองที่ที่มีอยู่ก็ไม่หมดไปเราก็ไม่ต้องไปทํทาการทุกจริตก็ลเลยทําให้เราเริ่มมีมีสิ้นขึ้นมา เราจะทำะไรเราก็ทําด้วยความถูกต้องเพราะเรารู้เวลาทําผิดศีลแล้วมันทําให้จิตใจเราวุ่นวายทาให้จิตใจเราทุกข์เนียเาะฉั้นถ้าเราจะหาเงินมาก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ถดกจะไม่ไปเป็นธรรมอธินาทานาไม่ไปเริ่มมดวศีลแล้วจากทานมันก็จกะพาเราก้าวสู่ศีลเมื่อเรารักษาศีลไปจิตของเราก็จะมีความสงบ เมื่อมีความสงบแล้วก็อยากจะหาความสงบเพิ่มขึ้นท น, นี้เราก็จะเข้าเป็นภาวนาได้แล้วไปนั่งสมาธินั่อะไรนี้มันจะมันจะง่ายขึ้นเพราะกิเลสปัญหาที่อยากจะไปหาความสุขกภายนอกนี้มันมันถูกถูกตัดไปถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนกากิ่งก้านของต้นไม้นั้นไม่ถูกตัดไปแต่ตัวตัวต้นมะตัวต้นยังไม่ได้ถูกตัด ต้องต้องต้องตองอาศัยการภาวนาที่จะเข้าไปทำจิตให้สงบเต็มที่ค่อการนั่งสมาธิทำจิตให้สงบ <c oughs> จิตรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเห็นความสุขที่แท้จริงแต่มันจะเป็นความสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะจิตออกมาจากสมาธิแล้วไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงกิเลส ก, ก็จะทำงานต่อ จากความสงบในจิตใจเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาได้เช่นไปเห็นใครก็ทําอะไรแล้วทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนี่มันก็จะเหมือนไฟที่ลุกขึ้นมายิตที่มีามมมการสงบเราจะรู้ทันทีแล้วว่านี่กิดคือเป็นสิ่งที่จะต้องตัง้งใจเป็น ค, ความโกรธปล่อยให้โกรธไม่ได้เพราะเวลาโกรธนี่มันเหมือนกันกบไฟเผาใจที่จะทํางานที่จะดับความโกรธได้ก็ต้องใช้ปัญญาด้วยวิปัสสนาปัญญา เขาดว่าไม่ต hmm. ้องไปโกรธแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาคนที่เราโกรธเราไม่ต้องไปทำะไยเขาเราเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเองเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไปเราไปมีเรื่องของเขาเดี๋ยวก็มีการสร้างเวรสร้างกรรมกันมีแต่ความทุกขันทูยอมรับความจริงของเขาดีกว่าเขาอยากจะทาอะไรเป็นสิทธิของเขาถ้าเราหลีกได้ล้วก็หี ถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องทําใจทำใจให้นิ่งเฉยไว้แล้วก็รอให้มันผ่านไปถ้าเราไม่มีปฏิปิเลยาต่อสู้กันเดี๋ยวมันจะเรื่องยาวคดีไม่ดียจะต้องตายจากโรคนี้ไปด้วยกันก่นกอนเวลาที่สงควรนี่คือวิปัสสนาคือทําสมาธินั้นเพียงแค่ทาให้จิตสงบเวลาจิตอยู่ในสมาธิไม่ต้องไปเจริญปัญญาเพราะการเจริญสมาธิต้องการให้จิตนิ่ง เหมือนกับคนที่ต้องการจะพักนอนหลับเวลาหลับไปแล้วอย่าไปปลุกขึ้นมาให้นอนให้เต็มที่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาเองสิ้นเวลาอยู่ในสมาธินิ่งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปมันกําลังพักเมื่อเมื่อมันอิ่ตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดในเรื่องที่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ห่วงเพราะนั้นห่วงได้ไงเดี๋ยวเขาก็ต้องตายอยู่ดี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 นี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าเราเห็นอะไรเป็นตายรักเราเห็นว่าอะไรไม่ใช่เป็นของเราแล้วมันก็ง่ายขึ้นเวลาลูกคนอื่นเขาตายไปเราเดือดร้นอนไหยไม่ได้ร้องห่มร้องไห้แต่พอลูกเราตายไปนี่วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับลูกของเขากับลูกของเรามันก็อาการสาสิบสองเหมือนกันความ น, นิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องตายมันก็ต้องตายเพราะทําทบุญมาแค่นี้ นื่อมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาอยู่ได้เพียงแค่นี้ตั้งเดิมเราไปร้องห่มน้องไห้เขาก็ไม่ฟืน้นขึ้นจับคืนมามีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราปรา่าประโยชน์ต่างๆเพราะเราขาดปัญญา น, นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เฉยมันตายก็จัดงานศพให้มันเผาให้มันเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ไปวางจะทํายังไงอ่ะเย้ไหม นี่คือวิปัสสนาเพื่อที่จะมาปลดเปื้องความทุกข์ให้จับใจของเราแต่าการจะเจริญวิปัสสนาได้มันต้องอาศัยสมาธิเป็นเยื่งต้นก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธินี่มันทําใจไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วแล้วพอระลึกถึงอนิจจังทุกข์อนัตตาความว้าวุ่นขรึมวัวมันก็จะดับลงมันเองมันยอมรับได้มันก็จะกลับไปสู่จุดของสมาธิจุดที่จิตสงบ แต่ถ้าถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาจะปองจะวางมันม่รู้จะไปปองที่ตรงไหนเพราะจิตมันไม่เคยสงบมาก่อนมันก็มันก็ปองอยู่บนความวุ่นวายอะไรคิดคิดไม่ตกปองไม่ตกแต่ถ้ามันมีสมาธิแล้วมันโปร่งตกเี่เราจะต้องเสียเสียสมบัติเสียงานเสียการใัุ้กอย่างไปถ้าเรามีสมาธิเราปรงตกไม่เป็นไรไม่มีงานทําไม่จำเลยฉันเข้าสมาธิฉันของฉันได้ ตอนอยู่ในสมาธิแล้วฉันสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนคนที่มีสมาธิแล้วมีที่พึ่งเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่พึ่งที่ถาวรทนั้นเองที่จะถาวรก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวตัดเป็นถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงควา ม, ามอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจสมาธิเป็นเหมือนกับตัวไปไปบีบหรือไปกดไม่ให้กิเลสตังางๆทางาน เหมือนกับหินทับหญ้าที่มาที่นี่เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่บนหญ้าหญ้ามันก็จะเรืงองงอกงามออกมาไม่ได้แต่พอยกหินออกทิ้งไว้สักพักเดี๋ยหญ้ามัน ก, มนก็มันก็โผล่ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราต้องการที่จะทำลายหญ้านั้นเราต้องถอนรากถอนโคนด้วยจอบด้วยเสียมด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามกิเลย ก, ก็ต้องถอดถอนด้วยปัญญาปัญญาก็คือใจรักษนี้ ถ้าเห็นเป็นตายรักแล้วจะจะจะไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธติดต่อไปเพราะมันเกิดจากความหลงเนเอาโลกเอาโกรธนี่มันมาจากความหลงหลงว่าเป็นของเราเพราะอะไรเป็นของเรานี่มันหายไปนี่ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นหายไปไม่ไม่เดือดร้อนเลยทั้งๆที่มันก็เป็นสมบัติท้นเดียวกันนะนะั่นแหละแต่พอเราให้เขาไปแล้วเช่นเรามีรถคันหนึ่งเรารถคันนี้เราให้คนอื่นไป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 ทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ของของเราเท่านั้นเองของของยืมมาใช้มีอลไรเพใช้กันไปให้มันเกิดประโยชน์เพื่อเอาเอาไว้ดูแลรักษณาสุขภาพร่างกายให้ชีวิตของเราอยู่ไปอย่างอย่างสะดวกอย่างสบายแล้วก็มาทําคุณทำประโยชน์ทําบุญทำกุศลเพื่อทําให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งต่างๆ น, นั้นก็มีหน้าที่เพียงแค่นี้เองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องรับใช้ เราในการปฏิบัติธรรมให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทุกวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งสิ่งบางที่อย่าจะเป็นมหาเสถียรจะเป็นนายกเป็นพระเจ้าเป็นยุหรือเป็นประธานาธิบดีก็ต้องต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่ไปเพราะมันเป็นสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นสมบัติของใครของซึ้น เราเข้าใจหลังนี้แล้วซึ่เราก็ปล่อยวางได้เน้นปัญหาของพวกเราก็คือการต่อสู้กับกิเลสเพราะทุกขณะจิตของเรานี่มันจะคิดไปในทางกิเลสเราจะต้องพยายามดึงให้มันมาทางธรรมะให้ได้เช่นวันวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวเราก็เลยมันมาตรงนี้ตอไปล้อาจจะมาบ่อยขึ้นอาจจะเป็นอยู่วันสักสามวันห้าวันเจ็ดวัน ที่จะไปอินเดียกันไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าแต่ไปอินเดียสำหรับคนบางคนก็อาจจะจําเป็นเพราะเขายังผูกมีความผูกพันอยู่กับสถานที่เรื่องราวต่างๆภายนอกไปสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นประโยชน์คือการละติของเขาอาจจะเกิดความซาบซึ้งใจกับความสงบขึ้นมา เราก็สู้กับความสงบที่เกิดจากการเราไปปฏิบัติในป่านในเขาไม่ได้แต่เขาก็ต้องอาศัยแบบนั้นไปก่อนเพื่ออยู่กับจิต ใ, ใจของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนามามากน้อยเพียงไรบางคนไปแล้วมีความทราบชื้นใจอยากจะกลับไปหลายครั้งก็มีบาคือบางทีเวลาที่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ฟังธรรมเนี่ย ออบางทีฟังไปแล้วมันจะเข้าสมาธิไปแต่ว่าในขณะจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับฟังก็พยายามดึงไว้ตรงนี้ก็กไม่เป็นไรถ้าประโยชน์มันได้ได้ทั้งสองแบบนี <c oughs> คือได้แบบความสงบก็ได้หรือได้แบบปัญญาก็ได้ถ้าจิตเราอยู่ในร ะ, ระดับสมาธิมันจะสงบก่อนมันจะไม่ค่อยอยากจะพิจารณาต่ามก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันก่อแต่ถ้าเป็นจิตที่ชอบพิจารณาตามมันก็จะเกิดความรู้ เกิความเข้าใจเกิดปัญญาที่เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องระดับจิตของคนมันต่างกันบางคนฟังทำเพื่ออาศัยทําเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องกล่อมใจให้สงบเพราะโดยลําพังบางทีเวลานั่งทําเองแล้วใจมันจะวอกแวกมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอวันามนั่งฟังทำแนละ้วมันมีเสียงธรรมะไวเป็นเป็นตัวเกาะจิตมันก็เกาะอยู่กับเสียงนั้นแต่ไม่ได้พิจารณาตาม ฟังไปฟังไปแล้วจิตมันก็สงบนี่แต่ไม่รู้ว่าฟังเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรคือได้ได้ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ประโยชน์แล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่ฐานะของจิตของแต่ละคนบางคนฟังเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบ ก, ก็ฟังไปก่อนเพราะเราต้องมีสมาธิเป็นเรื่องต้นเป็นฐานของปัญญาถ้าเราฟังแล้วพิจารณาแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบนี่เราจะเราจะโปรงไม่ตกเราจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าจิตของเรามีสมาธิแล้วเราจะคงตกเราฟังอะไแล้วเราจะฟังได้เพราะในหลักของการฟังธรรมนี้ท่านแสดงว่ามี <c oughs> มีอณิสง์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสามกระจัดความสงสยัยจะได้สี่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 แสดงไปแต่ตัวเองแสดงธรรมะแบบผิดๆถูก ๆ, ๆ, ๆดีไม่ดีจะสร้างความสงสัยสร้างความสับสนให้คนฟังมากขึ้นสมัยนี้เราฟังธรรมยังไม่ค่อยบรรลุธรรมกันเท่าไหร่แต่สมัยพุทธกาลนี้เวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่จะบรรลุธรรมกันเยอะเพราะผู้แสดงธรรมพูดแต่ความจริงร้อยละสมัยนี้ผู้แสดงดีไม่ดีเอาความโมหะเอาความหลงของตนมาสอดแทรกในสิ่งที่ตนเองแสดงออกไป ฟังก็เลยลังเลใจพิจารณาแล้วมันไม่ตรงกับความจริงมันก็มันก็ลังเลสงสัยมันก็ไม่สามารถที่จะตัดได้ไม่สามารถที่จะตรงได้ไม่สามารถที่จะบรรลุได้หรือคนฟังสมัยนี้อาจจะฟังแบบเล่พิธีก็ได้ใช่บางคนไม่ชอบหาสาวพิงหาสาวพิงไหม ขอทะตั้งน้ำหมูขอก็พับ <g ül üyor> ถ้าฟังอย่างนี้ฟังไปร้อยชาติก็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ผลนำไมเหมือนทับพีในหม้อกแกง <g ül üyor> ไม่เหมือนลิ้นกับแกงนะลิ้นกับแกงนี่คำพูดทุกคำที่อ อ, อกมานี่จะเข้าไปในใจ ท, ทันทีจะไม่มีอย่างอื่นมาแทรก บางคนนั่งฟังไปแต่ใจคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ตลอดเวลาแข่งกับเสียงที่เข้ามาถ้าอย่างนั้นเราฟังไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะการแสดงตามนี้มันเป็นเรื่องเห็นเรื่องผลมันต่อเนื่องกันไปถ้าเราขาดตอนใดตอนหนึ่งไปแล้วเหมือนเราไปดูหนังเราดูหนังเราดูดูตอนต้นแล้วเดี๋ยวเราออกไปเข้าห้องน้ํำพอกลับมาดูอตอนนึงมันมันไม่รู้เรื่องแอ่ะเอ้เกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ตอนที่เราไปเข้าห้องน้ํำ เวลาเราฟังธรรมก็เหมือนกันเวลาเราฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเราเกิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับมาฟังอีกทีเฮ้ยท่านพูดถึงตรงไหนละเกี่ยวกับอะไรละมันไม่ติดต่อกันมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นสติในการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าคนมีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นย้อนกลับมาให้ใใหให้จเจริญสติปัฏฐานสี่พยายามฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันสติก็คือการทําให้จิตอยู่ ัที่ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเป็นเรือสติก็เป็นเหมือนกับสมอเรือถ้าเรือทอดสมอแล้วเรือมันจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำน้ำจะพัดมายังไงเรือมันก็ยังจอดกับที่ได้แต่ถ้าไม่มีสมอเรือทอดไ้แล้วน้ำไหลามาเรือมันก็จะไหลไปตามน้ำในจิตเราก็มีกระแสจิตซึ่งเป็นเหมือนกับกระแสน้ำ ก, ก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันลอยมาอยู่เรื่อย ม, alloy, Trop, มีอารมณ์อะไรลอยมาปั๊บมันก็ชวนเราคุยด้วยแล้วก็คุยกันมันไปเพมันไปอย่างนั้นก็เวลาคนที่เขาจะเอาขนเข้าของขึ้นเรือลงเรือถ้าเรือมันไม่จอดอยู่นิ่งๆมันก็ขนเข้าของลงเรือไม่ได้เหมือนเดเราจะเอาความรู้อะไรเข้าไปในจิตใจของเราถ้าจิตเราไม่นิ่งไม่รับไม่รับความรู้นั้นมันก็ไม่เข้าไปเหมือนกับเวลาที่เทน้ําใส่แก้วถ้าเราคว่ำแก้วไว้เราเทน้ําเข้าไปหมดขวด มันก็ไม่มีน้ำเหลืออยู่ในะแก้วแม้แต่หยดเดียวเพราะเราไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารับน้ำนั่นเองแต่ในใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราใจของเราไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้สนใจฟังฟังไปเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เกิดเปลี่ยนอะไรเพรนการฟังธรรมก็ต้องต้องฟังด้วยด้วยสติเป็นแต่ว่าผลที่จะได้นี้มันอาจจะเป็นความสงบก็ได้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมา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 ปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดและปัญญาที่เกิดจากภาวนาปัญญาสองอันแรกนี้เอาไปดักกิเลสไม่ได้เช่นวันนี้ฟังว่าพวกเราต้องตัดต้องเด๋ยวไปเที่ยวต้องเข้าวัดแต่ถ้ามันยังไม่มีสสมาธิมันเข้าวัดไม่ได้หรอกมันฟังได้แต่มันทำไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วเป็นเขาเรียกเป็นภาวนา พอฟังอะไรนี่มันจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมเขาเรียกภาวนามมะปัญญามีปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่จะสามารถตัดกิเลสได้เรเป็นภาวนามมยปัญญาก็หมายถึงว่าต้องมีสมาธิภาวนาเป็นเป็นเป็นผู้สนับสนุส น, นถ้าไม่มีสมถะภาวนามีแต่วิปัสสนาล้วนๆอันนี้มันจะกลายเป็นความรู้ประดับเฉย แต่เอามาทําประโยชน์ไม่ได้บางคนนี่ท่องพระไตปรปิฎกไดท้ทั้งเล่มเลยแต่เอามาตัดกิเลสของตัวเองไม่ได้ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีนิทานเรื่องพระโพธิรัตคงจะได้ยินท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาพระไตปรปิฎกจนรู้ข้องหมดทุกอย่างเลยแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอพระโพธิรัตที่ไหนก็ทรงตรัสว่าโพธิลัลตธลเธอเธอเกิดมานี่เสียชาติเกิดเธอก็อยู่ไปเปล่าๆกินไปเปล่าๆ ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการอยู่ของเธอเลยเทพเจ้าผู้ดหลายครั้งเข้าท่านก็นเลยเกิดความ <c oughs> สำนึกอเอตอตนนัวเองยังต้องพัฒนาอีกความรู้ที่ตนเองมีอยู่นี้ไม่เพียงพอเพราะกิริยาการของตอนนั้นยังไม่ได้เป็นที่สงบสงัดสงบเรียบร้อยยังมีอาการของกิงกเลสออกมาอยู่ถึงตัดสินใจไ ป, ไปปฏิบัติกับสำนักปฏิบัติ ท่านก็ไปหาสำนักปฏิบัติที่มีแต่พระอาหารหันต์อยู่ทั้งหมดเลยท่านก็ไปกราบพระผู้ใหญ่องค์แรกท่านก็มีพรรษาน้อยกว่าท่านก็ปฏิเสธบอกผมสอนท่านไม่ได้หรอกท่านเป็นพระเทระท่านมีปัญษาท่านมีพรรษาเยอะกว่าผมก็เลยไปองค์ที่สององค์ที่สองก็ตอบเหมือนกันองค์ที่สามองค์ที่สี่ก็เหมือนกันเดนไปถึงองค์สุดท้ายเป็นสมมเนมแต่เป็นพระอาหารหันต์สัมมาเนม ก็สมนเนยก็จะปฏิเสธเหมือนกันพระหัวหน้าทิ้งกันเลยบอกเนไม่รับท่านไม้สมคอท่านหน่อยเลอสมณะเนยก็เลยรับพระเถระรุ่นนั้นมาเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนที่จะสอนก็ต้องเอามาสุดดูนิสัยใจคอก่อนว่าจะเป็นคนเชื่อฟังหรือไม่หรื อ, อยังเป็นคนมีทิฏฐิถือตัวอยู่ว่าเป็นเถระอยู่เพราะเดี๋ยวนี้เมนก็เป็นอาจารย์แล้วนี่งั้นเรื่องภรษานี่ถือไม่ได้แล้ว เพราะระวังอาจารย์กับลูกศิษย์นี้ลูกศิษย์ต้องต้องเชื่อฟังอาจารย์ถ้าไม่เชื่อฟังก็สอนไม่ได้สอนไปแล้วก็ไม่ฟังเราเราสอนไปทําไมนะบอยเขาเลี้ยวขวาเขาเลีเ้ยวซ้ายเนี้ยก็จะไปเสียเวลาเลยนั่นคือมันไม่เกิดประโยชน์ถึงเลยต้งทดสอบดูว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ก็ใช้ต่างๆนานานะให้ล้างกระโถนให้ซัก <c> ผ <oughs> ิววอนบางทีก็ให้รุ่น้ําลงไปหยิบของ ในน้ำพอเดินไปถึงจะหยิบใกล้จะหยิบของได้แล้วก็เปลี่ยนใจก็ไม่เอาละ เ, ละเพราเถระท่านก็นิ่งเฉยไม่โกรธไม่อะไรเชื่อฟังครูบาอาจารย์ทุกอย่างดังนั้นเนนเห็นว่าเอาท่านไม่มีทิ่ถือหรืออยู่แล้วเนนก็รงสอนท่านตัวยกตัวอย่างว่าอามีจอมปลวกอยู่อันนึ่งไอ้จอมปลวกนี่มันมีทางเข้าออกอยู่ หกทางด้วยกันแล้วในจอมปลวงนี่จะมีตัวกินเกลือหรือกินกาอะไรเนี่ยมีสับว์อยู่ตัวหนึ่งเขาเยกกระพริที่เคยอ่านในอ่านหนังสือถ้าเราอยากจะจับให้กินกาหรือสัต์ตัวนี้ยที่มันอยู่ในจอมปลวงนี้เราต้องไปปิดทวาวรห้าทวาวรแล้วให้เหลือไวาวรเดียวถ้าเราเฝ้า อ, อยู่ตรงประตูนั้นเน่ะมันออกทางอื่นไม่ได้มันก็เดี๋ยวต้องออกทางนี้ พอมันออกมาแล้วก็ตะคุบมาเลยแต่ถ้ามันมีทางออกห้าทางเราอยู่เราอยู่ตรงนี้มันก็ออกทางนู้นได้แล้วก็จะจับมันไม่ได้มันในกิเลสตัณหาก็แบบเดียวกันมันมีทางออกอีกถึงหกทางด้วยกันคือออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฉันก็บอกให้ปิดจะห้าทางเสียปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปิดลิ้นปิดกายด้วยการสำรวม ถ้าไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลินรสดกระเพะที่ทำให้กิเลสมันเกิดความยินดีที่อยากจะออกไปหาเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขา่เงี้ย <C oughs> มันจะไม่มีภาพที่จะดึงกิเลสออกไปไม่มีเสียงที่จะดึงกิเลสออกมาก็ เ, เท่ากับปิดประตูทั้งห้าไว้ที่มันก็จะเหลืออยู่ประตูเดียวก็คือใจมันก็จะคิดปุงต่างๆคิดไปก็สร้างความทุกข์ให้กับใจก็พอรู้ปับบป๊บก็ดับมันได้รู้ปั๊บก็ดับมันได้ เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แพ้เราเองในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่คือภาวนาเมยัปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากาญญา ก, จาการได้ยินได้ฟังหรือคิดเองนี่เป็นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นคือเราต้องศึกษาก่อนเราคิดเองไม่เป็นเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นตอนเราได้ยินได้ฟังหรือถ้าเราคิดเองเมื่อเราคิดเสร็จแล้วเราก็ต้องอานําไปปฏิบัติ เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนท่านได้ท่านก็ต้องคิดกันท่านเองเมื่อคิดแล้วว่าเออวิธีนี้เขาถูกนะั่น <c oughs> ก็เอาไปลองทําดูทําดูแล้วถ้าถูกก็ใช้ได้ถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่เห็นคิดว่าอดกอดข้าวสักสี่สิบเก้าวันมันก็ไม่ถูกทีเลก็ยังไม่ตายทีเลก็ยังดิ้นอยู่ในใจก็เลยต้องถอยกลับมาต้องมานั่งทําภาวนาทําสมถะภาวนาก่อนด้วยอานาปนาญสติทําจิตใจให้สงบ เมื่อสงบแล้ว ก, ก็พิจารณาถังห้าไปพิจรณาลูกพิจารณาปัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปในจิตในพลัดับเอาวิชาได้เหมดที่อยู่ภายในจิตจิตมันก็หมดมีผลนี่เรียกว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาให้ปัญญาด้วยการปฏิบัติฉันเรียนมาแล้วอย่าเอาอย่ า, อาไปติดไว้บนบา่าอย่าไปเป็นประกาศนียบัติได้นักทําตีโทรเอกแล้วอันนี้ยังยังไม่พอยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เรีนไปแล้วเรต้องเอาไปปฏิบัติฐานต้องไปทํามากยิ่งขึ้นมีเงินเหลือมากก็มีเงินเหลือก็เอาไปทํางนทําฐานย <c oughs> าวไปซื้อขา้าวซื้อของของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วก็ศีลก็รักษาไปเรื่อยๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ย่างทําสมาธิปฏิบัติทําให้มากขึ้นอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ไหนก็ทําได้แล้วถ้ามีเวลาก็ไปวัดก็อยู่านานๆหน่อยก็ได้ งอนนี้เราทําได้ถ้าเราวางแผนเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะมันจะทําแบบทําทีทำํำใดก็คงไม่ได้เพราะเรามีภ <c oughs> าระมีความผูกความอะไรในปัจจุบันนี้อยู่แต่ในอนาคนนี้มันเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะลดลภาระต่างๆได้อย่างไรเราก็ลดกันไปลดกันไปในเมื่อเราไม่ต้องการเงินมากบางทีงานเราอาจจะลาออกก็ได้เราอาจจ ะ, กะเกษียณก่อนเะลาก็ได้ถ้าเราคิดว่าเงินที่เราทาสะสมว่านี่มันพอเพียงแล้ว อย่างตอนที่อาจะมาเร า, า, เราออจะ ง, งานก็มีอยู่ประมาณนักสามพันก็คิดว่าอยู่ได้ปินแล้วก็เอาแค่นั้นน่ะขออยู่แค่ปีนึ่งขอปฏิบัติธรรมเอาสมัยนั้นก็เดี๋ยวชามละสองบาทแค่นั้นวันยังใช้ไม่เกินสิบบาทอาหารที่เราก็กินแค่ก๋วยเตียวกไว้ดเตี๋ยวชามข้าวผัดจานนัแคนั้นก็มีได้ละมันพันองการมของร่างกายให้มัได้มากเลยเราไปสร้า ง, งให้มันมา ก, มกด้วยกิเลสตำหาของมรำเองนะ อาหารมือละห้าร้อยกับอาหารมื้อละสิบห้าสิบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่กิเลสมันต้องห้าร้อยมันถึงจะอิ่มใช่ไหมเต้องไปกินที่มีเครื่องปรับอะกาศมีบรรยากาศมีอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ยินแล้วก็ต้องออกไปคิดนะ <c oughs> คิดแล้วก็ออกไปวางแผนนะ เราต้องพัฒนาเราจะก้าวขึ้นหรือก้านี่เราต้องเราต้องทําจะให้คนอื่นมายกเราขึ้นมาไม่ได้แล้วเราต้องยกตัวเราขึ้นไปเองก้าวขึ้นไปการขึ้นระดันี้สมควรแก่เวลานะขอยุตติเองอย่านี้ก่อนกายอยากจะเอาทีดีก็เอาไปได้ไหม จากหนังสือเก่าๆพอจะมีเหลือบ้างไหมคะตอพอมอยู่ให้คุณแม่อ่านแม่มาให้ชุดนึ่งฟังคุณแม่ยแม่ไม่ค่อยอ่านแต่อ่านของพรนอาจารย์จบเล่มรอคะเล่นไหมคุณังเยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจฝาให้กลับยมู้ชานมาให้นะในแผ่นซีีนี่ความจริงถ้ามีเครื่องคอมก็เข้าไปอ่านได้เหมือนกันแผ่นรู้สึกจะเป็นแผ่นท้ายๆเนี่ยจะมี มีใส่ใส่ไว้แต่แต่ถ้าต้องการหนังสือก็ได้อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าคนอื่นเขอยากจะหาถมีเครื่องคอมก็ก็ไปเปิดคอาได้คดีข้าอยู่ห้องบนนะไม่เป็นไรเข้าใจมีหนังสือมันถดถอยเนี่ยยี่สิบชั่วโมงที่จริงจริงมีแผ่นกีจเริ่มแต่แต่แผ่นนี้มันจะเริ่มตั้งแต่กาลังใจห้าเสียงเพราะว่าก่อนห้านั้นอัดเสียงไม่ดีอ๋อแต่มันลูกเอ้มันที่ลูกเอามาไปอัดต่อมันเหมือนกันแต่ของท่านเรียกหนึ่ถึง สี่เลยงงแต่ว่ามเมื่อทำเหมือนกันแต่ท่านเรียกอันนี้เป็นห้าใช่ไหมลูกคือมีมีบางการเป็นของการหนึ่งแผนเข้ามาอยู่สองแบบท่านนั้นเองแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเหมือนกันหมดเออ เ, เ, เหมือนกันเริ่มต้นตั้งแตการที่ห้าไปแต่ แต่หนังสือนี่มันมีตั้งแต่เล่มที่ไีนใช่ใชแผ่นที่เป็นกำลังใจ16กับ17อยู่อีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ีแผ่นนี้ตอนี้กำลังเอามารวมกันกับแผ่นที่สี่ออกมาหารรวมที่สี่แอ้มารวมกันแล้วแผ่นที่สี่นี่จะ15 16 14 15 16 17อันนี้อันนี้ของท่านอนนี้ของท่านท่านแมมช้าครูแม่ก็มีความ ปลื่มใจมากเขาให้ลูกกระบาศเวลาปลื่มใจที่สุดในชีวิตที่ได้มาอยู่ที่นี่เราต้องมาบ่อยๆได้เิ่มจะได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็ยังยังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเขาเรื่องนี้มิดเนะคะคือตลอดเวลาที่เขามานี่ย่งเขาเขาเรียกว่าเขาเก่งมากเลยเขาซะเขาคงมีเขากลัวผีมากแต่ก็เขาอยู่ไม่ได้ที่นี้ เขาก็บอกว่าตอนที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ได้ฝันไปที่พวกเราให้ท่าจแจ่มฟังว่าว่าเขาได้เห็นทีนี้ในในในฝันนั้นเนี่ยเออคนที่มันปรากฏในเขามาขอส่วนบุญอยู่อืแต่ว่าเออท่านแจ่มก็บอกว่าไม่ให้ไปสนใจใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาสมควรที่จะแต่เขากลับไปทําใส่บาตให้นะคะก็ได้ใช่แต่ก็บุญฤทิ์ให้เขาไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่า คนเนี้อยากตามเข้าไปถึงที่บ้านค่ะความจริมันอยู่ในจิตเขาเองอยู่ในจิตเขาเพียงแต่มาที่นี่แล้วมันมาโผล่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ทําให้มันเกิดออกมาได้เลยคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมันอยู่ในจิตของเขาจิตใต้สํานึกของเขาเพี่งแต่อาศัยสถานที่ทําให้มันเกิดโผล่ขึ้นมาถ้าเราไปอยู่ที่เปี่ยวๆครัวๆของพวกนี้ที่มันฝังลึกอยู่ในใจเรามันจะโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขามาติดกับเราจริงๆ ก็มันเป็นได้สองอย่างคือมันเป็นถ้าเป็นอุปทานของเรามันก็มันเกิดขึ้นเพราะเราเคยมีปัญหาเรื่องเคยมีความผูกพันกับคนคนนี้มาก่อนมันยังฝังเรืองอยู่ในใจเราอยู่หรือว่าเขาเป็นเป็นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากอุปทานมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่ที่กลัวกลัวสัมภเวสีที่กิดตัวไป ไม่มีติดตัวไปหลอกไม่ได้หลอกเคยมีเหมือนกันหรือไม่เคยไม่หรอกสมมาวิสิตามเราไปไม่ได้หลอกตามได้ไหมคไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่เกาะเราไปไม่ได้มันดูรายการบอกเ้านั่งรถไปด้วยเวลาเราไปเขาก็เขียนไปตามตามจินตนาการของเขาเขาก็เคยนึยกเว้นว่าสัมมาวิีรลูกนั้นก็มีมีความผูกพันกันเราเช่นในสลัยพุทธการที่มาปรากฏให้กับเจ้าชายอะไรนั้นก็เพราะว่าเป็นเคยกันนอามาตย เป็นลูกน้องเก่า<ม>เคยเป็นญาติสนิทนิสาย<ม>เป็นเพื่อนเป็นอะไรกัน<ม>เราก็เลยมาหา <c oughs> เาก็เป็นเหมือนคนออกจากคุกเป็นขอทานไม่มีที่พึ่งลูก<ม>สามพระเวสสีนี้เป็นเหมือนพวกขอทานถามบุญ<ม>ก็เลยต้องมาหาคนที่รู้จักให้เขาช่วยทําบุญให้ น, นั่นเองแล<ม>้วเราจะแ ย, ก, ย, ก, ย, ก, ย, ก, ยกได้ไหรว่าอะไรเป็ น, น, นอะไรถ้าเราไม่ยากไม่เป็นก็ทําบุญกดมืน้ําไปให้เขาตลอดกันอืมเพื่อความสบายใจของเรา พอเราทําทแล้วมันก็หายไปมันก็อาจจะเป็นเป็นอยู่ในใจของเราแต่เมื่อทําแล้วมันก็ทําให้ใจของเราสงบลงไปมันก็ไม่กลับมาเยือนเราอีกแต่วันยิ่งมาก็เห็นเป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกตนนิธรรมดาทุกอย่างแล้วพระเจ้าบอกว่าก็ต้องอนิจจังทุกขังอนัตาเหมือนกันนี่เรากําลังเกิดเขาเกตันหาวิภาวะนันหาเกิดความรังเกีย ก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าเรายอมรับเขาต้อนรับเขาเหมือนเป็นเพื่อนอาจจะอาจจะเป็นแฟนเรามื่ก่อนนี้ทีก็ได้ไม่ว่าแฟนมาเยี่ยมจะแปอะไรกับเขาควรจะอยู่นานนะครับเมื่อก่อนที่เขอยากให้เขาอยู่นานๆตอนนี้ไม่มีรูปเราก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยแล้ว เดี๋ยวหยุดกันแล้วก็แล้วหยาบกันลูกขอถวายก่อนไับใช่เพราะเราเกลียดผู้หญิงคุ้หญิงก็เป็นแม่ที่สำคัญแต่ถ้าแต่สภาพของผู้หญิงที่ต้องอยู่กับป่าอยู่กับการปฏิบัตินี่มันมันมันเพียงภัยกว่าผู้ชายเยอะก็เลยต้องมีมีเงื่อนไข บางสถานที่ทุนต้องอยู่กับพระเพะจะอยู่โดเดียวการลงังไม่ได้ต้องต้องต้องรับรต้องรับถึงจากพะสิ่เดือนเนื้อรรับวามปฏิวเนื้คําสัมพนของพระแล้วก็ไมใ่ให้ไม่ให้ทุสิ่นี้เป็นอย่างตองกไม่ให้นทุเป็นอย่างุ่ือปาตนาจะให้ทุกสิเป็นเครื่ความทุสในสมัยอดีตนั้น ผู้ชายจะมีความแข็งแรงกว่าผี้หญิงไม่เหมือนสมนัยนี้สมัยนี้จะมีการพันานาทฤษฎีไปได้เพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เรามีเครื่องผ่อนแรง <c oughs> ใช้ใช้สมองเป็นหลักนยแต่สมัยก่อนมันใช้กําลังเป็นหลักต่อสู้ในสงครามก็ต้องขีม่ม้าต้องไปลบราฆ่ากันกันด้วยแรง <c oughs> เป็นการแม่ทีฤษฎีนั้นบรรลุทําแล้วเป็ น, อนเอาขับแล้วก็แต่แม่เองก็ยังต้อง ก็รู้สึกว่าพาคที่สุตั้งแต่บวชกระทัมมเนรนี่ไม่ต้องแต่ภาคที่สูงตั้งแ ต, ต, งแต่เพราะว่ายิ่งบรรลุสูงเท่าไหร่ใจ ย, ยิ่งต่ำไกใช่ไหมใจไม่สูงใ่ใจจะกระทำนนยังไงทถ้งสิ่งที่พระเจ้าทรงนำหลักทรงตัดไรก็เป็นธรรมใช่ไหมังนั้นผู้ที่บรรลุเป็นท่นนาไหร่ น, น, น, นจะไม่รู้สึกมีความ ิดหนาละอาใจหรือรัเปียเถิดทั้งในสิ่งที่เจ้าสอระติ้การปฏิบัติจริงๆเพื่อลนละตัวตยิ่งยิ่งปฏิบัติทางตรวนี้น่าหลาตัวตนยิ่งน้อยลงแต่ละวันความถือตัวถือตัวถือว่าเป็นผู้พิเศษผู้ยิ่งใหญ่นี่มันกลับหายไปจะไม่มีเหลืออยู่ในตัวเ้อความือตัวนี่เราจะไมเหนื่อของความัวนะ ใครปฏิบัติไม่ถูกใจเราหน่อยเพราะเราเป็นอย่างนี้เราเป็นถึงผู้จัด ก, การเขามาทำเมืเราเหมือนกับเป็นคนลัคนเชิดกาดถูแล้วนขึ้นนี้เราก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฉยๆมันไม่ของเขา ตาเขาเป็นอย่างนั้นเขามองเราได้เขาไม่มีปัญญามองเราว่าเราเป็นที่เกิดจากอะไรกันได้เขาจะมองว่าเราเป็นเด็กเป็นเด็กรับใช้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเรื่องความเห็นของเขาเรื่องสายตาของเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจของเราว่าเราเป็นอะไรแต่ความความเป็นแะไรของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าจะทําเราจะต้องไปให้คนอื่นเขาเห็นตามตามความตึก เราก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละยิ่งปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่ความอิม่มความพองมันมีมันมีถือว่าที่อยากจะให้คนนั้นทําอย่างนี้กับเราอย่างนี้อย่างนั้นกับเราก็วาความผิวมันมีมากเหมือนกันพอปฏิบัติไปแล้วมันไม่มีความผิวความอยากกับอะไรทั้งนั้นอย้างแม่ขาอย่างคุณนมาแก้าท่านก็สุตใจท่านก็สูงมากแต่เวลามีพระไปไปหาท่านเป็นพระบวชหม่อะไรท่านก็ยังนิทา ว, ว่ า, าพระอยู่ มันก็ถืว่มันเป็นสมมุติไงนะเราต้องรู้เราต้องแยกว่าโลกนี้มันมีทั้งสมมุติและมีพิมพ์พิมพ์นี้ก็อย่างสมมุพ์ก็อย่างอย่างหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นเนีน่ยหลวงปู่มัน่นท่านตอบปัญหาเทวดาว่าเกี่ยวกับเวลาที่พระอาหารหันต์ท่านมาประทุมกันเนี่ยท่านนั่งอย่างไรท่านก็แ ส, สดงเป็นส อ, สองนายด้วยกัน ถ้าเป็นแบบวิมุตต์คือไม่ได้ถือว่าใครสูงใครต่ำกันใครมาก่อนก็นั่งก่อนนั่งตรงไหนก็ได้นั่งไปตามอธัธยาศัยแล้วก็แสดงแบบสมมุติก็นั่งไปตามบรรดาพันศถึงแม้จะเป็นพระอาหารแต่ถ้าพระรูปสูงอาวุโสกว่าเราท่านยังไม่เป็นพระอาหารก็ไม่แสดงทวามน่าความศรัทธานั่งตามเดินบินกระบก็ให้พระที่มี ม, มีพัญศาสูงกว่าเดินนำไป แม่ตนเองจะเป็นพระหังกต็ต่าคนที่เดินนาหน้าไม่ได้เป็นพระหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราต้องยากแยะระหว่างสมุดกับไม่มุดไม่มุดเนี่ย ม, มันเรื่องอยู่ในใจเราล้วนๆไม่มีใครเขารู้หรอกเราจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้แต่เขารู้ว่าเราบวชมาถาาึงพรรษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติทางตจตามตามสมุดเมืนลูกกับแม่ลูกกับพ่อแม่โยมเหมือนกันลูกบางคนก็เป็นอภิชาตนมุต มีจิตใจที่สูงต่อพ่อกับแม่ของพระพุทธเจ้า น, นี้ใช่ไหมแต่ลูกก็ยังเคารพพ่อคุณแม่อยู่ไม่ถือว่าตนเองฉลาดกว่าวเกินกว่าการเคารพในพ่อในแม่ในผู้หลักผู้ใหญ่ ก, ก็มีดีความรู้ความฉลาดทางสามารถมีมากกว่าพ่อกับแม่ถ้า น, นั้นก็ยากไว้อีกเรื่องอังนี้เองครับขอเล า, าเราลาามาูมันคือธรรมานิยมน้องตัวเองเพ่อตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็มองเห็นพ่อแม่เป็นคนไม่มี ความหมายใ น, ยรนประการต่างๆทีมีแต่เประเพราะความหลงแต่คนที่มีปัญญายัางได้หลงนี่นขัานก็ยังเวลาให้อยู่ส่วนพระองค์กับสมเด็จย่าก็ยังไหว้เงางกับสมเด็จย่อาอยูถึงว่าเป็นคุณแม่ในเวลาที่ออกงานเนี้ยท่านก็ต้องนั่งบันลังแต่สมเด็จย่าก็ต้องมียู่ข้างล่างอย่านต้องนี่เป็นการแยกแยะระหวา่าง ม, มือกับ ม, มือ มมตมันก็มีหลายหลา ย, ลายระดับด้วยกันแล้ว อ, ออกงานก็แบบหนึ่งเราอยู่กับบ้านก็แบบหนึ่งถ้าต้องให้ว่าไปให้มันสุ่มตามกาลเทศะตามกฎธรรมเนียมปฏิเทย่ยอะไรไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเราเล่นละครเนี่ยนะละครเรื่องนี้เขให้เราเป็นพระเอกนีแต่เรื่องหน้าเาให้เราเป็นผู้ร้ายเราก็ต้องเล่นไปตามกฎที่เขาให้เราเล่นไปนะเนี่ยมันก็เป็นละคอรอย่างนี้ ถ้าเราไม่ยึดติดกับผมแลนะ้วมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไนระเล่นได้ทุกทุกลูปแบบ่ยใเล่นเป็นคนเป็นขอทานก็ได้เป็นคนรับใช้ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วเขาจ่ายเงินให้เรารู้สั่งเราจ่ายเงินเราไม่มีปัญหาเราเป็นเหมือนลูกจ้างนะลจ้างให้เราทรําเวลาเราจะทําไป ความหมายอาไม่ยึดไม่ติด <Beaut é> แต่รู้รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่ำอะไรดีอะไรชั่วแต่บางทีมันอยู่ในเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องทําตามท่านตามตอนและทำไปไม่ได <crit ischen> ้ไปคิดโอ๊ยฉันวิเศษวิโสเขาคนนั้นคนนี้จะต้องปฏิบัติการเราอย่างไรเนี่ยเขาไม่รู้จากเราเนี่ยเราจะมาปฏิบัติได้ย่งไร แล้บางคนก็ปฏิบัติกับเราไม่ดีเขาไม่รู้แต่พอเข้ามารู้ทีหลังก็ต้องมาขอขอขอโทษขอพทษแก้ไขเขาขอบอกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็มีก็มีแต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคือง ก, ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเพื่งแต่เราเสียเงนินทางยังมีอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนทุกแห่งเราต้องพร้อมรับกวับทุกสภาพ โดเขาเหยียดหยางก็ได้โดนเขาแสร้งก็ได้ต่ไหนเขาต้อนรับอย่างดีก็ได้ไไหนบางทีเขาก็ให้แม่แยแสวให้เราทำอย่างที่อย่างยากก็รับแขกแเมื่อเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากทครแล้วมันขนนะี้งแล้วเนี่ยนี่จะให้พอนะเนี ยาวะรคขาภูราิติจารางเอวันิวาสิตุัาตตังอุปกตติปิปิิตางปิชิตงตุมหกิเมวะสนิสตุรภิุตสังกะปจันทปณะระสยะถาในตุสิ ยะโสะะสะถาสัพพิทีโยวิวาสันตุสัพโรโคนินัสตุมาเตตวัตวันตลาโยสุขีทีขันโกลภวตุตัิวาทะมสีลุจังจังมุจาสัจจามโนจะตารโหธมาวะทันติอายุวันโนสุขังลกลาสาธุ เราดเือกดาว่าเรื่องพระโพธิลัคนี่เป็นเรื่องเดียวที่หลวงตาท่านแสดงไว้ครั้งแรกที่เราเคยฟังที่เราเคยอยู่มื่อฟังแล้วมันก็ับท่านก็แสดงผลเดียวไมื่อยืนท่านแสดงในรสมัยนะครับก็ยื่นไป้านเก่านะร้านกลา เราก็ขอให้เราแน่วแน่มั่นคงกับทางแหทางแห่งพระพุทธศาสนาพยังก็ปฏิบัติไปเนี่ยเป็นโองค์การดังดีที่สุดแล้วที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเป็นเดรัจฉานก็ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเป็นนกเป็นการก็อย่างมากก็เป็นแต่อยู่อาศัยจึงเป็นวันหนึ่งเท่านั้นเองที่เราไม่ได้เป็นนกเป็นการแล้วเป็นมนุษย์นํามีสติปัญญาเราถึงจะสามารถค้นทราบความรู้ของทางสายสนอได้ มื่ได้ยินเลยฟังแล้วก็ขอให้นายได้ปฏิัติโอเคครับท่แล้วครั้งี่แล้วค่ะที่กล่าวไปแล้วกเขาเป็นเหตุอลเดินะแว่าครั้งแรกเขาก็บอกว่าเพรตอนเล็กคือแม่ทางานก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาเล้วัี้เขาก็โตแล้วตอนนี้คือแม่ไ เขามอยก็เลยพยายามที่จะตามที่ท่านอาจารย์แนะนาความคิดตัวเองนะเรไม่ยากป่วางเะ่าเขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนราทำเองแล้วเราาจะปรับบทบาทท่านหน่อยลดหน่อยาทีให้ยามากเกินไปมันก็มันก็ดื้อยาเยอะมันแท้ยานะ้คุณหมอก็าต้องรู้จักให้ยาต่าง สังท <c oughs> ีเขาเขาก็ตัวแล้วบบกกลนั น, น, นงทีเขาซ้ำซากๆเราเป็นห่วใหงให้เป็นามของเราเป็นห่วงรเร า, าอยากจะให้เราเป็นห่วง เราไม่ใครอยากในตัวเราเองถ้าเราไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาถ้าไปอยากในเรื่องของคนอื่นนี่นปล่อยวางก็ไแต่เราน่าจะอยากเนตัวเราว่าอยากให้เราดีอยากให้เราพออรยอะๆก็อยากในเรื่องของคนอื่นแล้ไม่ได้แล้วคือแต่ความคิดแต่ถ้าอยากในตัวเราแล้วเราทาทำได้าได้ลได้น่เนี่ยธรรมะจะช่วยได้ เป็นส่วนย่างที่มาฟังทรัมาเนมาแล้วเขก็เขามีคมเข้าใจคําว่าปล่อยวางมาเป็นได้ได้มากโดยเฉพาะหนังสือของ้านอาจารย์ชอบมากคือปล่อยวางไม่ได้มาปล่อยทิ้งก็ยังดูแลอแบม่ไเลก็ดูแลรักษาเลี้ยงดูลงไปรับได้มากนะเท่าไหร่ก็ให้ขอทานเวลาเหมือนพาชนะบางคนมีช่วยเล็กใส่ไปเยอะๆมันก็ล้นล้วคนมีช่วยใหญ่็สัแม้วก็รับไปเยอะ เราต้องดูเป็นภาษาไนะอยากไเรียนถามอาจารย์ไม่ทราบบางคนเป็นหรือเปล่าค่ะแตเพื่อนบางคนก็เป็นแบบบางวันที่เราตื่นื่นที่มาเราสุขวันนี้มีความสุขอะไรเงี้ยบางวันเรามีความรู้สึกเศร้าเร้าหรืเหี่ยี่ยวไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรอนรมณ์เราไม่้มีอะไรแกต่างจิก็เป็นอนิจจังอารมณ์ของจิตก็เป็นอนิจจ่ถ้าปฏิบัติข้าขั้นเวทนาใจก็จะเข้าสู่จิตตามม่ต่างกนตาไ่านก็คือว่ารของเรา ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการัการเหตุการณ์ทางๆบางวันมันไม่มีเรื่องยาวไม่มีอะไรก็เมื่อวานนี้เป็นทุกอย่างทา ง, งานนี้ถึงกำหนดเรื่อยๆนเหมนดีกันมือพอนขึ้นมาก็สดชื่นมาบางวันทา ง, งานแล้วงานมันค้างอยู่ในจิตในใจพอเป็นขึ้นมามันก็อาจจะทาให้เกิดอยีความมีใจนั้ น, ม, น, นมันอารมณ์นี่มันก็มีอยูท่ทังหมดหรอก็อจจมีทั้ง้า น, นอก เรื่องราวต่างๆที่เราสัมผัสมีเรื่องเหตุภายในก็คือใจของเราอาจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากได้เรื่องนู้น่องยากได้เรื่องนี้อยากจะอะไรนูนก็ทำให้มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วทาจิตให้สงบ ม, มากๆแล้วใจมันจะว่าแล้วอามรมณ์ต่างๆมันจะน้อยลงการเก็บแรงอามันจะน้อยลงนลง้อยลงไปเรื่อยเพราะเราสามารถทําอารมณ์ให้มันว่างได้ การภาวนาก็เป็นการการลบน้างอารามณ์ต่างๆบงส่วนมันก็เรียกว่านิบากก็ได้คือมันเป็นเรื่องที่มันติดเป็นสายต่ำนึกอยู่นในใจุดนแล้วพอมันมันมนเวลานีอะไรไปกระตุ้นไปสะกิมันันก็ผุขึ้นมาได้ทีวิธีปฏิบัติก็คือเหมือนกับเราปฏิบัติกักายกับเวทนาก็รู้ว่ามันเป็นอย่างี้ถ้าเดี๋ยวมันก็ต้องติงไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดเเพแต่รู้แล้วเราก็รู้ว่าีอารมไม่ดี ก็ไม่เปนไรเรมีหน้าที่อะไรเราก็ทํอะไรตางไปเพราะลมมันก็เปนเมฆแผนวที่มันหลมามาปิดยงการดูอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวถ้ารูมันก็เหมือนพลังมันก็พัดไปลมก็พัดไปมันก็สว่างกันัาันแบบเอาลมเราก็อย่างเงี้ยางวันก็สดสบางวัก็ซึเศร้าก็ให้รู้เท่านั้นองนี่ถ่ยมันแล้วอย่าไปอย่าไปซึมเศร้าตามมันอย่าไปสดายตามมันให้สักแต่ว่ารู้ อันนี้ยากที่สุดก็คือการทาใจให้เราตักแต่รู้ว่าใจเรามันชอบมีปฏิกิริยากับทส่งทุกอย่างาอะไรดีก็ดียวดีใจเหมือนกันแต่อะไรไม่ดีก็เศร้าเสีาายใจนี่ไม่ดีทั้งสองเง่ต้องรู้เฉยๆไม่นรู้ว่าอันนี้อารมณ์เป็นงนี้หรือว่ามันมีอารมณ์เป็นนี้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าไม่ยึกไม่จิกมันก็ไม่จิกไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเป็นเหมือนอาคารตึกเก่า้าเยีย่ยมเยี่ันนี้ แต่มางทีเราไปคิดว่าวันนี้เราไม่ดีตัวเราไม่ดีคิดไปนะแก็คือตอนที่ไม่สบายสมมติมเราไม่สบายใช่ ม, มแล้วพอเราไปหาหมอตัวแเสร็จแล้วช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรช่วงนั้นเปนช่วงที่เรารำคาญาที่เราคิดว่นเอ๊ะเราจะเป็นอะไรไม่นอ้อยนีนน้คิดไปเราขาดปัญญาเราขาดปัญญาาดปัญญาแล้วมันไม่ไปหรอก มันวันมันไงก็ต้องตายอยู่ดีอ่้มันกลัวตายไหาม่าดาน่ถ้าถ้าไม่ขดถ้ามีปัญญาไม่กลัวหรอกเพราะมันมันมันไงก็ต้องตายอ่ามันกลัวตายเอถ้าเราตายไปแล้วคนนี้จะอยู่ยังไงนนี้จะไปงรอัวก็คือวิภาวะานตันเหตนายตายตายคนหนึ่งเาก็อยู่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกใช่คนที่เขาตายไปคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่หนังเาก็อยู่กันได้ ไม่อยู่ไม่ได้เขาก็ตายตามกันตอนที่เราตายเรา ก, กลัวเราทรมาร์สใช่ไหมครับสมาธิดูแลจะรู้ว่ามันก็แบบที่เรานั่นนงนานๆแล้วถ้าเราทําใจได้เราไม่ทรมาร์ันเจ็บแต่ไม่ทรมาร์สนั่นใจนีน่ที่มันทรมารเพราะใจมันพยายามที่หนีความเจ็บมาแล้วมันหนีนไม่ได้ควาเจ็บปวดด้วยความกลัวนี่ก็เป็นี่เรียกวิพาวะทันทามเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเจ็บ ถ้าเราถึงนั่งสมาธิล้วเวลามีความเจ็บก็ก็ทําใจเฉยๆถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมรู้แต่มันจะไม่มีกระเทือนมันจะเป็นอยู่เฉขๆมันรู้สึกแต่มันเฉยๆมันไม่เดือดร้อนรับได้เพราะความเจ็บทางใจทางกายนี่มันนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บทางร่างกายมันไม่ทุรนทรายถ้าไม่ทุรนทุรายแล้วความเจ็บทางกายเฉยๆมันจะถึงถึงฉีดยาอะไรองนี้ แต่เวลาคนกลัวความฉีดยาเนี่มันเจ็บมากยังไม่ทันฉีดในหมอบอกว่าไม่ต้องฉีดยานะอันนี้ใจมันก็โโหวัวปวดไปแล้วทรมาร์ดเนี่ยคือความความเจ็บทางใจนี่ส่วนใหญ่ถ้าว่าเก้าสิบเอร์เซนความเจ็บทางการนี่จะเจ็บรุนแรงขนาดไหนแค่แค่สิบอร์เซนนี่เราจะทํางานที่จะระรับความเจ็บทางใจให้ได้ก็ต้องใช้กัญชาแล้วต้อทํามเข้าใจว่เาเ่านี้ไม่ได้คนหรอกเันต้องเจอมัน ชู้มันดีกว่าชู้มันแล้วมันใจพร้อมใจมีชู้แล้วมันไม่มันไม่มันไม่กูแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เจ็บมีเราก็ต้องฝึกซ้อมแต่ละวันนะครับเกิดบรรยาที่ข้ามมาอยู่นี่ก็มาอยู่กับคนอดอดอยากยากความยากลำบากก็เพื่อที่จะให้มันชินกับความทุกข์เนมทยคอนติสทางกายเช่นเดินจงกลมเป็นเป็นนั่งสามียาติไม่นอนนี่มันเป็นการฝึกให้สู้กับความทุกข์ในหน้าร่างกาย แนมือเดียวเนี้ยการที่จะสามมือเนื้ออดอาหารทีละสามวันห้าวันเนี่เป็นการสร้างความทุกข์ทางกายให้เกิดขึ้นแล้วใจจะได้ซ้อมรับอิู่ไ่ได้หมือนกับทหารเนี่ยเขจะไปสุดนั่งอยู่ในห้องแอร์มันไม่มีทางสู้ต่อสู้กับศัตรูได้อาหารต้องออกไปลนยป่าเนี่ยเปฝึกอยูในป่านอนกระดูงจุ่งกระซายเพราะเวลาเกิดสงครามมันต้องเจอกันในป่าในเขาไม่ได้ไปเจอกันในห้องนะ เพรือตอนตายนี่ก็คือสงครามที่จะเกิดขึ้นอก็อแต่ขณะดที่เราก็ฝึกซ้อมแล้วเปลี่ยนที่รับสงครามตอนตายแล้วมันจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราผ่านความเจ็บปวดไปได้แล้วนั่งเปนนานๆดีไม่ดีความเจ็บมันก็หาไปของอื่นใจถ้าเราผ่อนวางไม่ไม่ไปกังวลไม่ไปแย่งอะไรกับมันเดี๋ยวมันใจสงบนี่แค่ความเจ็บที่มันปวดแสบหาายไปก็หายไปเอยงเดียวถ้ามันไม่หายมันก็ไม่มารบกวนใจต่า ง, งฝ่ายทางอยู่ใจก็รู้เขาก็เป็นของเขาอย่งน การปฏิบัติพิจารณาทุกวิทนามันจะเกิดผลไในสังขาระยะเวลาจิตมันปล่อยวางเต็มที่ถ้ามันรวมลงเข้าสู่อภินาญมันจะไม่รับรู้ความรู้สึกของร่างกายร่างกายจะนึกหายไปเลยจิตก็ว่างสงบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันสงบแบบที่มันไม่สัมพันธ์มันยังรับรู้ขันอยู่เวทนาก็ยังมีอยู่แต่แต่ใ จ, จไม่ใจไม่กังวลกังวานไม่ไม่กระสับกระส่ายไม่ท ร, ม, รมาน อันนี้มันต้องมันต้องปฏิบัติไปต้องหาอุบายพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปไปบังคับมันไม่ได้ต้องยอมรับต้องปลองให้มันเป็นไเราอย่าไปรังเกียจมันต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความรังเกียจความกลัวความไม่ชอบต่บทุกเมตตถ้าเราบอกว่าเออเราหัดชอบมันบ้างเช่นเราก็ไม่ไม่เคชอบอาหารชนิดนี้แล้วเราเคยกินมันกับทักทักกินไปนานๆดีไม่ดีมันก็ชอบได้ความเคยชินมันจะทําให้เราชอบได้ ถ้าทจ่ายเราเห็นอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนในเกิดความนังเกลียนะช้าเราไปอยู่เมืองนอกเราไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็มีอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนถ้าเราเลือกได้เราคงไม่อยากจะกินอาหารเขาลองเกตดูดไปอยู่เมืองนอกนี่คนไทยจะทําอาหารไทยทุกชนิดเลยไมยอมกินอาหารเขาแต่ถ้าเรายอมอากจะมาที่จีดทาอาหารมันจะกินอาหารเขาหลังไปมันจะรสชาติไม่มีอะไรก็กินไปเสื่อมกินไปไปอยู่ก็เขาหลังเขาหลังทาอาหารก็กินกับเขาไป ต่อไปมันก็ชินมันก็อร่อยก็กินได้พอกลับมาอยู่เมืองไทยก็ยังต้องไปหาอาัคือพมันชอบแล้อก่นนี่มไม่ชอบแต่ทนี้มันชอบแล้วไอ้เวทนานี่สกดแงกันเราไม่ชอบไอ้ทานเจ็บกรหัสชอบมันเ่าต่อไปมันก็จะเวลามันไหนไม่เจ็บเรารู้เสร็จก็ถาอะไรคนกินเนี่ยอาหารติดๆนั่งเคยกินเครกินเนี่ย ถ้าไม่ไดมีพริกให้กินเนี่ยมันมันไม่เผ็ดมันก็รู้สึกว่าไม่อร่อยแต่คนที่ไม่เคยกินพริกนี่หมายถึงเม็ดพริกไปเม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหทรมานเยเพราะมันเผ็ดมันกินไม่ได้แต่ถ้าลองฝึกผัดกินไปเรื่อยๆฝึกกินไเรื่อยๆกับพริกต่อไปมันก็มันก็มันก็ติดเป็นนิสยัยขึ้นมาเลยพอใจมันยอมรับได้แล้วก็ไม่ทิกแล้วฉันพยายามพยายามหัดชอบความทุกข์มากความทุกขก์ความยากความลำบาก ถึงแม้ตงอาัดกินอาหารหัดถือสินแตกหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปกลัวไม่ตายร่างกายพระเจ้าตั้งสี่ขุก้าวัวเรามีพลังงานสะสมอยู่ในร่างกายเราเยอะพอที่จะม่ได้สบายแต่น้ำขาดในหน้าน้ำต้องมีอากาศต้องมีแต่อาหารพวกอาหารพวกข้าวพวกอะรนี้ไม่มีข้าวันเจ็มันไม้ ไม่มีภาษาชื่ออ่านประวัติอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ไทยสดงปีห้าปีห้าปีน้าการเรียนาหาลัยไปจบชั้นมัธยมที่นี่แล้วก็ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนอาจารย์เรียนในบ้านพิศวงพิศวงแต่พี่เรียนห้าปีเพราะว่าเราทางานไปด้วยอะไรไม่ได้ไม่ได้เรียนเต็มเต็มหลักเป็นคือเขาเรียนเกือบสี่ปีอะไรนี่ใช่ ก็ท่านท่านอาจารก็เรียนที่7วันเปสนภาสาอัสกฤษใช่ไหมเส็นภาษาอังกฤษตลอดตลอดง่ายๆง่ายเลยเป็นแต่ว่าเราต้องไปเรียนวิชาบางวิชาที่เราเรียนไม่ค่อยดีตอนที่อยู่ช่วงปลายๆปีเลยนี่หมายถึงชมีนักเรียนชอมีนักเรียนบางวิชาไม่ไม่ค่อยแข็งเอาไปเข้าไปทดสอบดูคุณของเราเขาบอกต้องเรียนวิชาเ่มชามใหม่อะไรใหม่ ก็เสียเวลานี้เองแต่ก็ไม่ไม่มีน้อยนะเราถือว่ามันจบช้าจบเร็วมันก็จบเหมือนกันถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติช้าจบบรรลุช้าบรรลุเร็วมันก็บรรลุเหมือนกันพอบรรลุช้ามันก็เหมือนกันพอกินข้าวอิ่มช้าอิ่มเร็วเมื่ออิ่มันก็อิ่เท่ากันขอให้กินเท่านั้นเนี่ยขอให้ปฏิบัติเท่านั้นเน่ยขอให้เรียนเท่านั้นน่ยซึ่งจะช้าจะเร็วมันก็ถผีมันก็ผี่ึ้นบุญว่าสนาของเราบางคนมีกิเลศนะปัญญาทึบก็ช้า ทานมิเลสมาปัญญาแลกลุ่มลมมันก็เรวแต่ขอให้เราทำไปเถิดทาก็ไม่เป็นไรท้าก็ไม่เป็นไรจักรยานไปมันก็ช้าหน่อยท่านั่งรถเก่งมันก็เร็วหน่อยจักรยานมันช้าหน่อยแต่มูนก็ถือเป็นการเราชอบแล้วเก่งว้าจักรยานเลย <laughs> มันแล้วแต่บุญของเราเไงแล้วแต่บุญวาสนาที่เราจะสมไว้เพราะว่าแข่งบุนแข่งวาสนาไอาแข่งว่าแข่งเรือแข่งได้นะแต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งไม่ได้หรอกแต่ใช้จอาจารย์อยู่มือง น, นอกตั้งหลายปีนะทำไมท่านรักเรื่อ <ละ S 2> ้นเพลงของจิตมั น, ม, นมันชอบความสงบอยู่นะแสมันไม่ค่อยหลงไายกับไอแสงสีเสียงเท่าแต่ที่เป็นเองก็เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของชีวิตเมื่อจบแล้วเียัง ยังมไม่รู้จะทำอย่างเคลื่อนๆก็เลยไปเรียนต่อแล้วก็ไปเรียนต่อแต่พอเราจบแนละ้วทีนี้มันเริ่มเริ่มคิดแล้วจะเอาอะไรเนี่ยมันถึงไม่ได้นอนหางานเท่าไหร่เพราะมันบอกว่าเนะี่ยทำงานนี้สามสิบปีแล้วก็แก่ตายไม่รู้ทำยังไงอยาจะหาคำตอบหาอะไรที่มันดีกว่านี้นี่มีคนบอกว่าท้านอาจามีดวงกจ้าเดือคย ทุกันก็มีถึงได้มาเกิดเป็นนแต่เราจะใช้มันได้ไม่ใชมันด้เยก็บุญมีแต่กรรมบังนมันมีบุญมแต่กรรบังคนเรามีบุญเท่าๆกันแต่มีกรรมบังไว้มากลก้าเบุญน้อยก็เลยทำช้าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องถือว่ามีบุญมากนะได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่ยือว่าสูงสุดของบุญที่เราได้ เยี่ยเราจะใช้มันให้เ ก, กิดประโยชน์มากน้อยข่าดนี้เดี๋ยวถ้าเราได้เงินมาแล้วเราจะไปใช้เราจะไปลงทุนทําให้มันเงอกเงยขึ้นมาหรือเราจะไปเล่นไพยเล่นการพลังง า, กานกิงเทีเท่ยวเต็มเนี่ยก็หมดมชีวิตของเรา <ctor. S 2> ก็เป็ น, นอย่างนี้ถ้าเราจะมาอยู่เพื่อเสด็การอย่างเดียวเนี่ยมย่เหลือบุญเก่ที่เราทำมาหนึ้งกมุ่นถ้าเราจะเอามาสะสมเพื่อเอาบุญที่เราได้มาเนี่ยมาทำบุญเพิ่มนั่งสมาธิมาสังเทศสําธรรมมา อะไรอ่เงี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มบุญขึ้นไปกรดีออ ม, ม, มันายโยอยู่กับที่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าถ้าเขาทาขําบนะุญเนี่ยเขาไม่ทาํามากเท่าไหร่นะคะแต่เขาเขาไม่ทําบาปแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยสิงเท่ากับเขาสมรตตัวหรือว่าเขาได้บุนการทาบุญนี่เป็นการเพิ่มทรัพย์เพื่อ อ, อุทิศของการให้ทานนี่มันไม่ได้ทําให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์นะ เพราะการจะเป็นเกิดมนุษย์เกิดเกิดในสุคติได้นี่ต้อมีศีลเป็นหลักแต่ฐานนี้เมื่อทำไปแล้วจะทําให้เราเวลาเกิดไม่ว่าจะอยู่ในครบในคูมใดจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะมีทรัพย์สมบัตินอนพักถืถึง ว, ว่าเราไปเกิดเป็นหมาาเงี้ยเราก็เป็นหมาที่สวยงามเจ้าาเจ้ฟ้าเจ้าแผงเดียวแต่ไม่เอาไปเกิดเป็นหมาขี้เลื่อนมาป่อยที่วัดเนี่ย ที่พวที่ไม่ได้ทำน้ำทำบุญเนียน่ยมักจะมาเป็นหมาชีลเลือนอย่างนี้แต่ถ้ารักษาศีลแล้วมันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ทําทานด้วยจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีกอบเป็นกองเงินกองทองเพราะั้นทานนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตากับกับสมบัติที่เราจะได้แต่ศีลนี่มันเป็นตัวตัด ส, สินว่าเราจะไปสุคติหรือเป็นสุขคติเรอจะไปอบายหรือจะไปสุขคติถ้าเรารักษาศีลได้ มากเท่าไหร่โอกาสที่จะตามมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นถงก็มมากแต่ถ้าเราไม่รักษาสีโอกาสที่จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต็นนักเปนอากาศเป็นนรกนั้นก็มมากตอนนี้อยู่ที่สีไม่ใช่หลัคุณภาวนานี่มันจะทําให้เราเกิดถ้าเรามีทานมีศีต้องมีภาวนานเราก็จะมาเกิดเป็นเบี้ยเป็นพระเจ้าเป็นลูกเศรษฐีเป็่างหน้าตาสวยงามแล้วก็ภาวนาก็ทําให้ได้เป็นทระอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละ เม่ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเช่นถ้าถผมว่าพระเจ้าไม่ได้จัดระลุแล้วเรียนแค่สมาธิท่านก็ย่อไปเกิดชั้นผอมอย่างที่อาจารย์ท่านสงรงลูกที่ที่ที่ได้บรรลุถึงชั้นผอมเพราะท่านันั้นไม่มีปัญญาในเรื่องโลกุตระทมไม่รู้จักอนิจจ์ทุกขงาาังอนัตตาแต่มีพระเจ้าที่สามารถรู้ได้จึงทะลุหนือมขึ้วยนเข้าถืออริยมุข ไปถึงพระพันพระนิพพาน่ต้องจำมาเกิต่อไปีถ้าเพื่อนเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนเขาเลาไม่ได้เปี่ยนเขากับมาเป็นมนุษย์มนุษย์แต่ก็อาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนเหมือนเดิมนะไม่ยไม่ได้ร่ำรวยขึ้นไม่ไเส่อเสียอะไรชีลิตน่าเาตายก็ไม่เสียอนขึ้นอะไรก็ยืนอยู่กับที่คือเท่าทุนเนี่ยไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่เราเราเราอยู่กับที่ไม่ได้เพราะเพราะมนุษย์นี้มันมีแต่ความทุกข์ ไมาแล้วก like right. yeah. so, ็ต้องทุยกับเรื่องนันคุยกับเรื่องนี้มันจะเป็กันได้ใช่ไหมาต่ที่ว่ามิฉเฉยไม่ทำความหยุดร้อนของคนนี้ใช่ไหาแล้วก็อุนไปอย่างนั้นเน่ะเพราะมันต้องสร้างเหตุอยู่ตลอดเวลาบคจะมีเรื่องเวลาแบบคนนั้นคนนี้บ้างโดยทั่วไปจะเป็นย่งนี้ก็ได้โดยทั่วไปก็อาจจะมีงที่ที่ดูนีกะได้เนอย่ีๆก็มีเรื แล้วมนุษยสร้างเหตุตลอดเวลาเดตุดีกับเหตุลา้ายการแล้วทํ า, าทบุญนี่จะช่วยแบบทําให้กรรมวิบากนั้นลดน้อยลงของเก่าเราเราไปแก้ไม่ได้แต่วิบากหน้าเราแก้ได้เมื <c oughs> ่อเราทำบุญแล้วเราจะจิตเราจะบรขึ้นเราจะทําบาปน้อยลง <c oughs> อย่างที่นเมื่อกี้อธิบาย ท, ทาทานแล้วจะมีสีเนี่ยทานแล้วก็จะเกิดสีตามมากาก็ไม่อยากจะไปทํำบาปทำกรรมเพราะเราทำบุญ ทำบุญมันมีความเตตามีความเสนหมีความสงสารผู้อื่นในเวลาเราจะทาอะไรเราจะทำคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นาเราอยากได้บูญในความสเราจึงทำบุญนะโยวเรากับข้าวกับปลาหามาถวายพระก็อยากไห้พระมีความสุขมันก็เลยทาให้เราไม่คิดอยากเป็นเหอผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่คิดที่อยากจะทำบุญหางมันเท่าไหร่ก็อยากเจ็บไว้ให้กับเรากับเราเนเวลาใครจะมาแย่งมาอะไรไม่ดก็ค่าขององก็เพราเรายังรัก ถ้าสมบัติของเราอยู่ใครจะมาแย่งอะไรจากเาไปนี่เราค่อขตอชื่อเขาอย่างเดินชื่แต่ถ้าเราไปยสึกถาบุญอยู่เลยใครอยากจะมาแบ่งไนมากก็ให้เขาไปก็ได้หรือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันก็ให้เขาไปทําที่จะไปกดขอแทงกดเชือดอยากจะเป็นธรรมะสองข้อสามไม่คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของเรามา่ก่อนในในอดีเพื่อเขมีปัญญาสมากมาเอาไปได้ก็ให้เขาไปแต่ไม่ได้ให้ไปเฉยๆนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาพอมีความสามารถยังไง ถ้าเขาเก่งเขาหล่อเอาเงินก้อนนี้ไปได้ก็เอาไปถ้าเขาเก่งเขาขโมยไปได้ก็ออกไปแต่ถ้าเมื่อเราถูนไปแล้วเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่โกรเพราะเราถือว่าเป็นการทําริงไปถ้าทาารบอกว่าทำเราทำไปแล้วว่แล้วแล้วไปที่เราอยากเรื่องกาทำกรรมเรื่องอะก็ได้ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิหรือเราเริ่มชาด้าวเราว่าเราทำกมได้ได้ย้อนล้มาจีบพวกผีช้าก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ย้อนกลับไปได้หม แต่ไม่ได้หมายความคนังสมาธิทุกคนจะจะระรึกชาได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของการน้างว่าจิตจะลงลึกแค่ไห น, นการที่จะบรรลุเป็นข้าร้านได้สมาธิเพื่อเพื่อวิปัสสน้บางทีไม่ต้องลงลึกไปขณะเราลึกชาได้กได้งจะให้มันสงบให้มันนิ่งสบายเป็นมือเท้าแล้วเมื่อถอนออกมาก็มาเป็นในวิปัสสนาได้เลยัง น, นบางโคบางช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงวิวิปเขาเรียกอะไรอางช่ว เกโกที่บรรลุหนุช่พวกเจโตเจตวิมุตติรัปัญญาวิมุตติพวกเจโตนี่พวกที่ะลงลกจิตของทาจะเป็นสมาธิล้วมีลึกมีเดชมีมีตาทิพย์หูทิพย์แล้ว่นชาติได้พวกเจโตแต่พระโมคนะลานี่พวกวิปัสสุกันยานี่อย่างพระสาลีดุท่านจะไม่ลึกทางด้านสมาธิ ท่านจะกว้างจะแหลมคมในด้านบางอย่างนนาาท่านชอบพิจารณาคิดหาเหตุสาเหตุคนที่บรรลุทางปัญญานี้จะทําประโยชน์มากกับาคนที่บรรลุทางด้านเตโตเพราะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องในการสอนการสอนสสอนี่มันต้องมีการยกยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบคนคนคนฟังถึงจะเข้าใจครูบาอาจารย์น้ไม่ใช่แบบนั้น อล้างหวปูสาวนี่ให้ถึงสมาธิปัญญาในวังก็มีได้ประกาไปปฏิบัติอัก็ไม่ขยายความเลยแต่หู่ม่านนีท่านปัญญาด้วยท่านเจตโตด้วยบางบางรูปท่านได้ทั้งสองเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ทั้งทั้งเจโตทั้งปัญญาถ้ามีเจโตก็มีท่านก็ท่านก็รับแขกรับเทวดาได้ท่านก็อ่านจิตหายใจของคนได้แลท่านก็มีปัญญาให้กับชาวสามารถาสองคนได้เยอะแยะค เนั้นคนเราปฏิบัติบางทีได้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีหนักมีแค่คนถนัดซ้ายถนัดซ้ายก็มป็นคนถนัดขวาบางคนก็ขนาดทั้งสองได้ได้ทั้งซ้ายได้งขวาเด็กพระพุทจ้าที่ต้องลองทุกอย่างเมื่อไรได้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตัวที่จะช่วยก็ต้องสมาธิก็ต้องให้มันสุดๆของสมาธิปัญญาก็สุดุดของปัญญาเลยมันก็เลยจะได้ให้งสอง แต่พวกรานี่ยบอกพอที่อยู่ไม่ซแล้ว า, ายว่าสมาธิเอาแค่ห้าสิเปอร์เซ็นก็พอพอผ่านพอสอบผ่าน้แค่ได้ไม่ต้องเป็นที่หน ก, ก็ได้ธรญญาก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ขอให้มันสอบผ่านเอแค่สอบผ่านได้ก็กบรรลุได้ า, า, นนาราชกาหด้านหนมีความอาุขามสามารถแตกต่างา ค, คนก็ผ่านจัดฉายา ง, งด้านสัญญาบางคนก็จัา ง, งด้านสมาธิบางคนท่านก็เป็นทสองยา Thank <laughs> you.